สิ่งที่ทําให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์เนี่ยคือคุณธรรมถ้าเอาธรรมออกเสียมนุษย์กับสัตว์ก็ไม่ต่างจากกันเหมือนกันหมดคำว่าธรรมในที่นี้หมายถึงตัวมรรคผลนิพพานนะถ้าคนไหนที่มีมรรคผลนิพพานอยู่ในตัวคนนั้นก็ใช้ชีวิตต่างจากสัตว์หน่อยนึงเป็นปุถุชนคนหนา ขยับขึ้นมาก็เป็นกัลยาณชนขยับขึ้นมาหน่อยก็เป็นอริยชนอริยะแปลว่าผู้ห่างไกลาจากกิเลสที่ถ้าหาว่าชีวิตเรายังจมอยู่ในกิเลสตัณหาราคะอยู่ก็เป็นกัลยาณชนแต่การดำเนินชีวิตก็คือทำเพื่อสนองกิเลสตัณหาเหมือนเดิม ตราไม่นีจากวงจรของอุปาทานทุกมันไม่ได้ห่งไกลจากกีเดชวันโดนหนึ่งเนี่ยชีวิตวเราเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของธรรมะที่ปรากฏในจิตเราม่นจะมีอะไรเข้ามารองรับบางครั้งก็เป็นผีบางทีก็เป็นคนบางหนก็เป็นเทวดา บางเวลาก็เป็นพรมแต่บ่อยครั้งนะที่เป็นสัตว์นรกทุกติดอยู่ในความคิดนานๆโกรธงุดหิตกวนกไไวคือจิตดวงดวงหนึ่งในร่างของมนุษย์นี่แหละที่มันเปลี่ยนสภาวะไปทาอาการเป็นมนุษย์อยู่ที่เป็นมนุษย์สที่ไชาโนมนุษย์สเปโตมนุษย์สัอสุรกายโยมนุษย์สะมนุษย์โส มนุษสสอริโยมนุษสสพร ม, มโนมนุสสเทโวมนุษย์แต่เป็นมนุษย์ในร่างของมนุษย์นะแต่จิตเนี่ยหมุนไปตามสภาพธรรมที่เขามาผสมกับจิตเราแต่ว่าจิตเราเปลี่ยนแปลงได้โยอะไรมาปรุงแต่งก็ได้เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่ปรุงแต่งอยู่เนี่ยความทุกข์ก็ย่อมเกิดขึ้นถึงจิตเราอยู่เรื่อยๆการปฏิบัติธรรมหรือการฝึกจิตเนี่ย ไปสู่ความที่อะไรมาปรุงแต่งจิตไม่ได้อีกต่อไปไม่มีความได้ความเสียไม่มีความถูกความผิดไม่มีดีไม่มีชั่วไม่มีชอบไม่มีชังเข้ามาเกิดกับจิตเราเรื่อยๆเราก็สามารถรับรู้เรื่อยๆถึงอาการที่มันเป็นคือไม่ให้มันเปลี่ยนแปลงนะถ้าเราทำได้ถ้าเรามีตัวรู้อยู่กับตัวเองมีพุท ธ, ธะเกิดขึ้นในตัว มีภาวะได้ดวงตายเห็นธรรมมีสภาพธรรมที่รู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาเขาก็เรียกว่าเป็นโพธิสัตว์เป็นสัตว์อยู่ยังไม่ตื่นเบิกบานแต่เริ่มมีตัวโพธิอยู่ในตัวเองทีนี้เวลาเราช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยโพธิสัตว์เนี่ยลักษณะคุณธรรมหรือภูมิธรรมกิจยาของเขาก็คือช่วยเหลือช่วยขนคนออกจากทุกข์แต่ไม่ใช่อะไรตามสิ่งปรารถนาแต่ขนคนออกจากทุกข์ อย่างหลายคนมาปฏิบัติธรรมที่มีความรู้สึกว่าอยากชวนคนนั้นมาปฏิบัติธรรมอยากชวนคนนี้มาฝึกฝนจิตเพื่อให้เขาออกจากทุกข์ที่เขาเป็นในทุกข์ที่เขาหลงคนเราเกิดมามติดอยู่ในความหลงนะ่ะหลงอัตตาหลงตัวหลงตนการทิฏฐิอัตตามันเนี่ยมันจะติดอยู่อย่างเนี่ยติดภพติดชาติติดความคิดความหวังอดีตอนาคตเนเราเราปฏิบัติธรรมก็เพื่อออกจากทุกข์อันนี้ถ้าเป็นโพธิสัตว์ก็ไปชวนคนมาเพื่อออกจากสิ่งที่เขาติดแหละ แล้วมนุษย์ุกคนก็มีศักยภาพพอที่จะออกจากเรื่องนี้ถ้าไม่มีทิฏฐิมรณนะราคาตัญหามากเกินไปนะถ้าไม่หลงโลกมากเกินไปหลงอารมณ์มากเกินไปเนี่ยเราก็จะรู้จักนนะเวลาเรามาเฝ้าดูมันเนี่ยทุกอย่างที่เราอยากนะเวลาเรามาควบคุมมันหนึ่งกับปีความรู้สึกว่ามันเกิดแล้วมันก็ดับอันไหนจะช้าบ้างเร็วบ้างบางทีช้าบางทีก็ไว นี่คือการกำลังทำตัวเองเป็นโพธิสัตวนะ์แต่ถ้าช่วยเหลือคนอื่นให้เงินคนอื่นให้นนทให้นี่ช่วยเขาพัฒนานนนี่ไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่โพธิสัตว์การช่วยเหลือก็จะเป็นไปเพื่อการก่อทุกข์ทำให้เขาเป็นทุกข์เพิ่มขึ้นให้เข้าเขากินให้แล้วเขากินเนี่ยจิตมันยังปรุงแต่งอยู่ไม่ใช่ทานในลักษณะที่เป็นสัมมาทานังอะไรก็ตามถ้าไม่ได้เกิดจากการฝึกฝนจิต เชื่อก่อนเนี่ยเราทาอะไรก็ผิดพลาดหมดนะชีวิตเนี่ยผิดพลาดหมดเราทำเพื่อความอยากของเราทำเพื่อความอยากคนอื่นแต่เราไม่ได้ทำเพื่อทำดังนั้นสิ่งที่เร่งด่วนที่เราควรทำก่อนอย่างอื่นก็คือการฝึกจิตตัวเองให้เกิดสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิจนเราต้องเห็นเป็นรูปเป็นนามตัวเราเองเนี่ยเห็นเป็นธาตุเป็นขันธ เป็นเพียงสักแต่ว่ า, าธาตุตามธรรมชาติไม่มีกูมีมึงมีเขามีเราสักว่ า, าธาตุตามธรรมชาติสภาพธรรมที่ปรากฏเกิดขึ้นที่เราพอเห็นได้ก็คืออะไรกระทบแลกปล่อยวางไว้มันปล่อยวางเร็วกระทบเร็วจะปล่อยวางเร็วมันไม่ยึดติดผูกพันมากมายจะมีสักกี่คนน่ะที่ใส่ใจกับเรื่องการฝึกจิต เพริดเดดตัณหามันครอบงำไปหมดแล้วจึงไปลงอยู่ตรงคำที่ว่ามันไม่มีอะไรต่างจากสัตว์มนุษย์เนี่ยเป็นประเภทเดียวกันเป็นสรรพสัตว์เหมือนกันอารมณ์เหมือนกันการกลัวภัยการขับถ่ายการกินอาหารการอยู่การนอนการสืบพันธุ์กันไแต่มันมีความต้องการเหมือนกัน แล้วทําทุกอย่างเพื่อสนองตอบอารมณ์พวกนี้ไม่ได้อยู่เพื่อเหนืออารมณ์นี้สัตว์มันก็เป็นแบบนี้เพียงแต่ว่ามันเป็นฤดูการสัตว์เนี่ยเวลาโกรธเขาก็หายไวเกลียดเขาก็หายเร็วมนุษย์เราต่างหากนะที่ร้ายกว่าสัตว์ทั้งหลายมนุษย์เนี่ยถ้าไม่ได้ฝึกจิตจึงถือว่าเป็นสัตว์ที่อันตรายว่าที่สุดเพราะมันมีความรู้สึกนึกคิดขนันหน้ามันเองมันสมบูรณ์มีมันสมองที่ดีมีความคิดความอ่านดี สัตว์มนุษย์จึงเป็นสัตว์ที่น่ากลัวสัตว์มนุษย์เป็นสัตว์ที่ทํำลายโลกสร้างโลกและทํำลายโลกนะเจริญก็ถึงที่สุดนะสัตว์มนุษย์เนี่ยย้อนทั่งเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้แต่เลวก็ถึงที่สุดนะสุดๆเลยแหละเลวกว่าสัตว์ทั่วไปความคิดความอ่านสัตว์อื่นเขาไม่มีมนุษย์ก็จะมีฆ่าตัวตายได้แบบต่างๆแล้วมากมายหลากหลาย เพราะอะไรเพราะจิตอันเดียวเท่านั้นจิตทำให้คนต่างจากสัตว์จิตเนี่ยมันมีการรับรู้เหมือนกันแต่เราปรุงแต่งทำไมเราจึงจะถ่ายถอนการปรุงแต่งได้เราจึงจะแยกแยะความสำคัญวันหมายว่ากูมีกูเป็นเพนื่อให้ออกไปได้ถ้าไม่ฝึกสติทำหลักของสติปัฏฐานละยากเราก็เกิดมาแบบเกิดมาเล่นเล่นไปวันๆที่เฉย ผ่านไปจบไปมาเล่นเกิดเล่นแก่เล่นตายไปวันๆเนนะ่ะเราไม่สามารถที่จะเห็นว่าเออชีวิตเรานี่ควรจะได้สัจธรรมนะเข้าถึงสัจธรรมทำมันมีหลายระดับระดับหยาบหยาบก็คือเป็นคนดีของสังคมนี่แหละนี่หยาบๆบเนี่ยอันที่ชัวช่วๆเนะี่ยไม่ต้องฝึกนะไม่ต้องฝึกไม่ต้องฝนมันเป็นอยู่แล้วมันเป็นได้ง่ายๆแต่คนดีเนี่ย มันเป็นยากแล้วก็ฝึกมันก็ทึ่งเข้าขั้นหยาบปะเนี่ยขั้นกลางก็คือจิตเป็นสมาธิไม่ทําความชั่วทางกายทางวาจาทางใจมีพราหมณ์คนหนึ่งนะไปบอกพระพุทธเจ้าบอกว่าชีวิตเขานี่เขาไม่ได้เป็นไม่ได้บวชนะแต่เขาก็เป็นสมณะได้คือเขาเกิดมาแล้วเขาไม่ประพฤติผิดทางกายทางวาจาทางใจก็ไม่ได้คิดชั่วคิดไรใคร เขาก็โกนผมอยู่บ้านไม่ได้บวชอะไเขาก็เป็นสมณะล่ะไม่ได้ประพฤติชั่วทางกายทางวาจาทางใจโกนผมเป็นช่างอยู่ในบ้านแล้วก็เขาก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการมราคะเขาเรียกว่าเขาเป็นสมณะมีคนไปคอยอยู่พระพุทธเจ้าะแสดงว่าสมณะของท่าน หรืสมณะของพระพุทธเจ้านี่ก็จะเหมือนๆกันพระพุทธเจ้าบอกว่าสมณะในศาสนานี่ในธรรมวิในนิหาได้เป็นแบบนั้นไหมมันไม่ใช่แบบนั้นถ้าพูดคําจํากัดความว่าสมณะคือบทเป็นแบบนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าคนเด็กทารกที่เกิดมาใหม่ๆเนี่ยมันยังไม่ทําชั่วทางกายทางวาจาทางใจแล้วมันก็มีสั ม, มาชีพอยู่ในตัวเองคือเลี้ยงชีวิตในทางสุจริตเด็กมันก็เหมือนกันนะี่ะ เลี้ยงชีพของมันโดยการดูดนมแม่พอพูดผิดทางกายก็ไม่มีทางวาจา ก, ก็มีทางใจก็มีเราจะเรียกว่าเขาเป็นส ม, มณะได้หรือยังเพราะเขาไม่ได้ต่างจากสัมมนที่โอนมื่อกิบัญญัติขึ้นมาแต่คําว่าส ม, มณะเนี่ยในทางพระศาสนาเนี่ยจะหมายถึงบุคคลใดก็ตามมุ่งหวังทําราคะโทสะโมหะให้หมดสิ้นไปตลอดจนถึงผู้ที่กําลังทำ ผู้ที่กําลังฝึกฝนจิตเพื่อชําระล้างกิเลสที่มันมีเนี่ยเด็กมันเกิดมาใหม่ๆเนี่ยมันยังไม่มีกิเลสนะเป็นธรรมชาติธรรมดามันไม่มีรักไม่มีชังเพราะยังไม่มีความสําคัญบ้ารใหม่อะไรแต่พอมันโตขึ้นแล้วเนี่ยมันจะมีมันจําความได้มันรับรู้ได้มันปรุงแต่งเป็นเนี่ยมันเริ่มมีแล้วทีถ้าสมมติว่าเราถ่ายถอนกิเลสตัณหานั้นออกไปจากจิตได้จับทุกข์อันนั้นได้เนี่ย เราถึงเรียกว่าเป็นสมณะผู้สงบจากกิเลสถ้าเราบอกว่าเด็กตัวเล็กๆมันยังไม่มีกิเลสเอามาฝึกคงจะดีเด็กไม่มีกิเลสแต่ก็ไม่มีปัญญาเด็กเนี่ยมันยังไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าคืออะไรกิเลสไม่รู้อะไรคือปัญญาเราฝึกปัญญาเนะ่ก็เพราะเรารู้ว่าเรามีกิเลสนะรู้ว่ามันคิดมันปรุงแต่งเราจึงมาฝึกเพื่อดับอันนั้น แต่ถ้ามันไม่รู้ว่ามีกี่เด็กฝึกมันไม่รู้ที่รู้สึกตัวไม่ซ้าไปไม่รู้ว่าจะฝึกไปทําไมนั่นเด็กนี่ไม่ได้หมายว่าเจนจิตพระนะจิตพระไม่ได้เป็นแบบนั้นจิตพระนี่จะรู้ดีรู้ชั่วรู้คิดรู้ไม่คิดรู้ปรุงแต่งไม่ปรุงแต่งรู้ลบโกดหลงเกิดไม่เกิดนะแต่เด็กไม่รู้นะเด็กไม่มีไม่มีตัวรู้อันนี้อยู่ในตัวนั้นพุทธภาวะเขาไม่มี่ฝึกมันไม่ได้ มันต้องรู้เรื่องนี้ก่อนดังนั้นในพุทธศาสนาเนี่ยมันไม่ได้เหมือนไม่ใช่ของเด็กไม่ใช่ของผู้ใหญ่แต่เป็นของใครก็ได้ที่มีตัวรู้อันนี้อยู่ในตัวพุทธภาวะอันนี้ฝึกฝนอบรมใจอัเนี้ให้มีความเข้มแข็งขึ้นมาแล้วมันจะทำให้คนเนี่ยต่างจากสัตว์จากสัตว์ทั่วไปแต่ก่อนเขาเรียกว่าคนเนี่ยมันเกิดเกิดที่ไหน เกิดที่ป่าหิมะพานสัตว์ในโลกป่าหิมะพานหิมะพานก็คือป่าวานะเพ็พ่านะป่าแห่งความสงบเย็นคือใจมันเย็นใจมันดีสัตว์โลกในป่าหพาูดที่อยู่ในความสงบความเยือกเย็นปัจจุบันีนป่าหิมพานถูกทาลายแล้วอหิมะพานถ้าพูดไปแล้วป่าก็คือจริยธรรมทั้งหลายทั้งปวงนะถูกทาลายหมดไม่เหลือ กรอบวัฒนธรรมกนมธรรมเนียมประเพณีที่ช่วยพรรัฒนาฟื้น ฟ, น ฟ, นฟนูจิตใจคนมันไม่มีเดี๋ยวเนี้กิเลสตนาวัตถุนิยมมันทลุท ล, ลวงเข้ามาโมดไม่มีความเยือกเย็นในใจเดี๋ยวเนี้ยมีแต่ความโกรธความเขยดความรักชังความชังกิเลสตนาราคะไร้ขอบขีดจํากัดไม่มีกําแพงกัน้นไม่มีป่ากัน้นนั้นสัตว์แทนที่จะอยู่ในป่าหิมพานมีความสงบเยือกเย็นมันก็ไม่เป็น เห็นมเรามาปฏิบัติธรรมในอยู่ตามป้องตามบารู้สึกวันเย็นนะมันสงบเหมือนมีป่าอันนี้เป็นป่าข้างนอกแต่ป่าข้างในใจของเราก็คือมีศีลมีธรรมมีขนบธรรมเนียมมีบทคลํัมนั่นคลลัมนี้ น, นี่ยนะป้องกันเอาไว้เนี่ยนี่เป็นป่าแต่เด็กนี้มันถูกทําลายหมดแล้วมันไม่มีร่มไม่มีร่มของศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอะไรเข้ามาเด็กไม่เคารพผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ ไม่เป็นที่ตั้งเห็นความเคารพของเด็กทุกวันเนี่ยเอาไป ม, มันไม่เหมือนกันไปหมดนะแม้วัฒนธรรมในการเรียกการขานการเคารพนอมนอบไปซักันก็ถูกทำลายไปหมดแล้วมันกลายเป็นเพื่อนกันไปม้อเดี๋ยวนี้อยู่ระดับเดียวกันหมดนั้นสังคมมันเหมือนมันไม่มีคือไม่มีแปรที่ตั้งเอาไว้ ในใจเราก็จะเป็นแบบนั้นนั่นปัญหามันก็เกิดขึ้นง่ายมันก็รั่วง่ายมันก็ผุพังง่ายฝนตกมากก็เปียกแดดออกมาก็ร้อนเนี่ยจำเริเกิดอะไรปัญหาทุกอย่างเนี่ยจะเข้ามาถึงจิตเราทันทีเลยจะไม่มีนะครับเอออย่าไปทํานะนะมันผิดผีนะมันคล์ม์นะมันไม่เหมาะสมนะเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วว่ากันทํากฎหมายว่าตามระบบระเบียบอะไรประมาเนี่ยตรงนี้ศาสนาแบบที่เป็นจริยธรรมศีลธรรมเนี่ย จะหมดบทบาทไปเลยแต่ก่อนนี้ปี้มีแบบนี้เอาไว้แล้วคอยคุ้มครองคุ้มครองมนุษย์อยู่ในโลกเนี่ยมีเฮริโอ ต, ตปะปรากฏเกิดขึ้นทีิความลายแก่ใจโอตปาความกลัวบาปกลัวอกุศลโอ้จะไปทำเรือมันบาปเด้อเนี่ยโบราณเราจะได้ยินกันบ่อยเขาเรียกว่าศาสนาแบบประเพณีวัฒนธรร ม, มนี่เดี๋ยวนี้ วัฒนธรรมประเพณีทั้งหลายทั้งปวงถูกทำลายความสนุกสนานความเพลิดเพลิ น, นแทรกซ้อนเข้ามาไม่มีคำว่าคลังไม่มีผิดศีลผิดธรรมไม่กลัวการยาเกงอะไรไม่มีแต่ก่อนบินธบาทเนี่ยโยมใส่บาทเขาจะใส่ทางที่ตะวันตกไหมไ ม, ไม่ใส่ทางที่ตะวันออกเพื่อเขาจะไม่อยู่ในทางที่เหยียบโนพระเนะ มินดาบาดไปทางหนึ่งเขาจะไม่อยู่ทางเงาพระอยู่เขาจะไปอยู่แบบเนื้อ เ, เร็วมันคลําเหตุสิบสองค4องสิบสี่นะจะมีบุญทุก ป, ปีทุกวันทุกเดือนทุกเดือ น, อนลงไปของพ่าอีสานเนี่ยแล้วเขาก็จะสอน22สิบสองจารีตนะจารีตสอน เดือนนี้ทําไรเดือนนี้ทํานั้นจะได้ยินได้ฟังซึมซั์วัฒนธรรมเรื่องบาปเรื่องกรรมเรื่องนรกเรื่องสวรรค์อะไรนี้อยู่บ่อยๆก็มาเล่าให้ลูกให้หลานฟังเกิดความเข้าใจเดือนนี้กับไปฟังทำเดือนนั่น่งไปฟังทำลงไปวัดไปจําและท่านก็แสดงธรรมเทศน์ให้ฟังคนก็เข้าใจเนี่ยวัฒนธรรมมันมาแบบนี้ทีนี้นความรู้ความเข้าใจที่เกิดมาก็เกิดมาลาักฐานทางศาสนา มาจากตำหนับตำราคัมภี์พระพุทธเจ้าอามาสอนไทยไปดกบ้างสังคมมันก็พออยู่ได้คือวันวันหนึ่งมันจะมีแต่รับรู้ในตีกองลงวัดอะไรก็อยู่ที่วัดที่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วนะมันชอนใช้เข้ามามีทางอินเทอร์เน็ตมีการรับรู้ทางโน้นทางนี้ขอ้อมูลข่าวสารขอ้อนะสดเอ็มเะไรอย่างนี้โทรศัพท์สารพัดแต่มันจะมามันเข้ามามากม า, ม า, จากจนกระทั้งว่าวัฒนธรรมเมื่อก่อน มีแค่นี้ก็พอประคองสังคมอยู่ได้แต่นี้มันไม่ได้น้ํามันไดน้อยแต่ไฟมันเยอะไฟราคะโทสะโมหะไหลมาเข้ามาท่วมทับกันมาวัฒนธรรมของความอยากของเราเวทนาของเราตะวันตกตะ น, นออกก็ว่าไปนะวัฒนธรรมแห่งวัตถุนิยมไหลเข้ามาก็แย่หลวงตายังมีความชื่นชอบวัฒนธรรมแบบคอมมอนิสต์นะ แบบสังคมนิยมแบบอะไรเนี่ยมันจเจริญช้าไอ้อที่มันจเจริญช้าช้าน่ะมันดีดีตรงไหนวัฒนธรรมทางด้านจิตใจเนี่ยมันอยู่นานจิตใจเนี่ยมันจะอยู่นานเราเข้าไปพมา่าเคยไปไหมดีมากนะมากนะในพม่าเขาก็ดีแต่ทางตะวันตกเขาบอกว่าลาซัมไม่อย่างนน้นอย่างนี้ที่จริงมันอยากเข้าไปสูบฉีดเอา สมบัติเขาองค์างเคยเข้าไปอยู่ในพมา้าวัดกำแพงวิปัสนาวัดไร่คุณที่เฮีมันเป็นธรรมชาติเเต่เป็นบ้านเหมือนสมัยเมื่อก่อนอเลยทา่านเฝึกสติฝึกอะไรคนก็สนใจเรื่องวัดเรื่องวาดีเอาใจใส่เพราะนธรรมเขาดีแต่ขอเราต้องเปิดประเทศต้องเปิดประเทศเดี๋ยวนี้น อเมริกากลัวสู้ญี่ปุ่นไม่ได้กลัวสู้จีนไม่ได้จีนรุกเข้าพมา่าญี่ปุ่นรุกเข้าพมา่าช่วยเหลือในนี่อเมริกางดการบอยค อ, ยอร์ดเจตระใจดีกว่านะให้องซานสูจีคุยด้วยดีกว่าโน่นนี่เริ่มประชาธิปไตยจริงๆคือเขาอยากเข้าไปเรื่องอย่างอื่นโดยเฉพาะอังกฤมันีน้ำมันกา๊าซพม่าจะเยอะมาก เขาเยอะนะประเทศเขาเนี่ยเขาไม่เปิดประเทศแต่ประเทศพมากก่าเป็นบ่อเกิดของวิปัสนาพองยุบก็ไปเอามาจากโน่อนอันเคลื่อนไหวนี่ก็มาจากโน่นแต่พุทโธเนี่ยมีอยู่ในประเทศไทยมรดกประเทศไทยแต่ก็ออกมาจากอาณาป่านะสติในมหาสติปัฏฐานสูตรปฏิบัติธรรมเนี่ยที่ย่างกุ้งที่มันดะเลเนี่ยเขาจริงจังมาก ท่า น, นชาวต่างประเทศไม่น้อยที่ไปฝึกกรรมฐานอยู่โ น, น่นไปฝึกอยู่ที่โน่นนะเคยไปอยู่ที่โ น, น่นเราไปเชิญชวนพระชวนเนนเข้ามาเขาฝึกกรรมฐานแล้วกลับไปนะเขากลัวเขากลัวไม่เหมือนบ้านเราแต่ที่โน่นก็คือเข้าไปนิดหน่อยเดี๋ยวระเบิดตูมละตามละอะไรตร ว, วนั้นตรงนี้นะมันมีปัญหาเรื่องความมัน่นคงเรื่องชนกลุ่มน้อยเรื่องอะไรเรื่อง น, น, องนี้แต่ก็ดีนะ มีครั้งหนึ่งเขานี่มรดงตาเข้าไปที่รัดฉานรัดฉานเนี่ยมาจากลัดฉานนะของไทยใหญ่คือคนเราพวกเรานี่แหละไปทอดพระปาที่โ น, น่นแล้วก็ไปดูเรื่องพระศ า, าสนาเรื่องนั้นนี่้าอยากไปช่วยนะอยากไปทํากับคนที่โ น, น่นเอาพูดถึงวัฒนธรรมหน่อยนะเดี๋ยนี้คนตทยมีความอยากไปประเทศจีนไปที่เดียวไปที่ต้าลี่ ตาลีเนี่ยถ้าดูในแปดเทพอสูรมังกรฟ้าเนี่ยเอ้ผู้ทีหายห่วงนะจะมีนิวสุริยันองค์ชยยายแห่งตาลีที่เราตา อ, อยากไปคือไปไงเพราตัดอยไปบือดูพื้นฐานเพราะเราเรียนมาไงตาลีเนี่ยมาจากคาว่าตาลีฟูนะน้องแสตาลีฟูเมืองกระแสสามงานเมืองของพญาแถนนะ่ะ ประเทศไทยถอยร่นมาจากประเทศจีนในตำราที่มีทะเลสาบที่ตาลีฟูนะตาลีฟูเมืองเมืองตาลีองค์ชายตาลีของกิมยงเน่ะที่เขียนตรงนั้นเน่ะตาลีฟูบ้านเราเรียกอาณาจักรเป็นอาณาจักรตาลีฟูที่นั้นตาลีแต่มันอยู่ตอนใต้ของประเทศจีนที่สมเด็จกรมบรมดาราชานุภาพที่เขียนประวัติศาสตร์ว่าเราลงมาจากโน่นน่ะ ที่โน่นน่ะเขาพูดภาษาไทยก็ได้เป็นบางแห่งแต่เขาดูดีมากหนาวมีหิมะมีโน่นมีความสมบูรณ์ดีเมืองต้าลี่บางทีเราเรียกอะไรจากนั่นเจ้าคือมาจากนั่นแหละที่มันลงมาเนี่ยเมืองกระแสสามยานเมื่อเราไปอ่านประวัติศาสตร์ภาษาอีสานเมืองพญาแถนพญ่าแถนพญานั่นพญา น, น, านี่เขาอยู่ในนั่น นันเป็นบนรรพบุรุษเราอ่ะตามความเชื่อถ้าอยู่ในประวัติศาสตร์ที่กรมประยมบรมราชาธิปัตสันนิฐานนะเราถอยล่นมาจากโนด น, นะที่พระท่านจะรบุตรเรื่องสวรรณไปตายที่นั่นน่ะรองประธานสภาก่อนพลเอกของดออรอุกปิดโมกุลนาวินนะขึ้นไปเยี่ยมเขาก็อยากไปดูคนไทยพราะคนไทที่นันพูดภาษาไทยแล้วมีวัฒนธรรมมีอะไรนะมีโคดมีเง้าของไทยมาจากโนดเขาไปหุ่ย จีนนี่เขาจะทำดีมากคือมันเหมือนเนี่ยโรงถ่ายภาพยนตร์ น, นเรศวนเนี่ยยมเคยไปไหมที่ค่ายโซรูสีค่ายในเมืองการเนี่ยเนี่ยเราเข้าไปดูมันจะมีคือถ่ายตอนนั้นเขาก็ทําเป็นฉากเป็นฉากเขาใช้โฟมเนาะทำทำเป็นบ้านเป็นพระราชวังเป็นอะไรเนี่ยครบอย่างนั้นเข้าไปเที่ยวได้ดงนั้นถ้าไปที่ตาลีตาลีโฟจะเห็นโรงถ่ายแปดเทพศูนย์มังกรฟ้าเที่ไมหมด เขาจะทําไว้แบบนั้นแต่ไปที่นี่เนี่ยมันจะมีแบบว่าอย่างนักท่องเที่ยวเที่ยวเข้าไปเนี่ยเราไม่รู้สึกตัวนะอยู่ๆมันเหาะมานะไอพวกเนี้ยมันเหาะมาเลยอะ่ะเขาทําแปลกมากคนไปเที่ยวจะตกใจคือหนังจีนบรรยากาศหนังจีนนย่งมีอยู่นักท่องเที่ยวกลาลังมีอยู่เนี่ยอยู่ๆมันก็ตีนกันแล้วต่อสู้ต่อหน้าเราแล้วเฮ้ยอะไรวะมันเหมือนย้อนยุกเนี่ยนะนะเขาตื่นตาตื่นใจนะแต่เขาก็มีชุดให้เราแต่งถ่ายรูปทั้งหมดเลยที่ซาลีฟูนะโลตา อ่านดูสารลักคดีเนีแล้วก็มีแต่งตัวของเรานิหนเนี่ยนะดำๆำแล่แหลกก็ล่องก็เลงอะไรประมาณเนี่ยมันจะมีเขาทำเป็นภาพสวยงามแล้วหัวเราไปซุปกาไปในนั้นร่างกายก็เป็นนางนั้นก็ถ่ายแบบประาโอ้อยางยไรที่มีผมแต่ใบหน้านของเราแต่ส่วนอื่นน่ะรูปภาพเขารูปปั้นรูปอะไรอย่างเงี้ยมีหมดชุดจกักรพรรดินะ ชุดคุณชายชุดอะไรเนี่ยมีมดนางงามนางเงือบเล็กแต่เนี่ยนะไปเท่ากัจะได้ถ่ายรูปคู่กับแม่นางแม่นางอะไรอ่ะของคุณชายเนี่ยเวลาพูดถึงเทือสูงบางคนฟ้าเนี่พูดตั้งแต่ปีสองพันหรอยี่สิบสองนั่นเนี่ยพูดนี่นะยังไม่เกิดเลยมั้งผู้เธอแต่เดนี้ก็คงเป็นภาคใหม่ละเฉียวฟงน่ะ น, นะ กิมยงนี่ก็ฟุ้งซ่านดีเนาะเวลาเคเขียนเนี่ยเขียนดีนะกิมยง้มย ง, มยงโกเล้งพวกเนี่ยทําดีทุกคนก็ติดตามนังของชอวบาร์เดอร์เนี่ยแต่คนก็มันดีนะเวลาดูแล้วเหมือนกับอะไรอ่ะเหมือนออลิบูดเอเชียชอวาร์เดอร์นังของชอเนี่ยแล้วก็ไม่ใส่ใจไปเหื่อตามฝรั่งเขาเนี่ย นี่เป็นความสามารถนะเฉพาะตัวดังเนี้ยเรื่องการต่อสู้เรื่องเกี่ยวกับสมาธิหนังเขาจะบวกกับประวัติศาววสตรส์เกี่ยวกับพระสงฆ์กัเจ้าเกี่ยวกับบทความรูเกี่ยวกับคาถาอาคมเกี่ยวกับโน่นเกี่ย ว, ยวนีน่ทางโน้นหนังเป็นอะไรอ่ะอีนางคนหนึ่งมันจะจบอะไรแล้วเนี่ยตาเห็นนะบาวัดไม่สนใจอะไรกันเลยอ่านอ่านแต่นั่งสือนั่งสืออะไรนะนิยายดังๆมาห น, น่ะ เป็นหมอแล้วยังติดอยู่เหมือนเนี่ยลุงตาเคยอ่านหนังจีนนะพูดถึงเรื่องประวัติส่วนตัวเล่นๆนะเคยอ่านหนังสือหนังสือจีนเนี่ยอ่านจนหมดห้องส ม, มุดเลยนะห้องส ม, มุดจังหวัดเนี่ยจะไม่ใช่จังหวัดนี้นะจังหวัดนี้จะไม่รู้มันมีทร่านจนหมดห้องส ม, มุดเลยกินข้าวก็ปากก็กินไปตาก็ดู อ่านได้อ่านดีอ่านโยทั้งผอมเพราะไม่ค่อยกินข้าวอันนี้มากินข้าวรุ่นใหม่นี่หรอกคืออ่านหนังจีนแล้วมันดียิ่งไปดูหนังจีนเนี่ยยิ่งดีดีดีคือมันไม่มีอะไรนะผู้หญิงเขาก็สวยธรรมชาติวิวเขาก็ธรรมชาตินั่งเอกพระเอกหมดทั้งเรื่องหนะ่ะใส่ชุดเดียวฟันกนระตุลบอลเลือดออกเลือดอาบก็ชุดเดียวเหมือนเดิมจนจบเรื่องสบายตานะ ของเรานี่สยสนั่นใส่นี่ท่านั่นตานี่อะไรเขาไม่พูดมากนะเขาเน้นฉากเน้นความเข้าใจทั้นมาอยู่วัดสมนัติแต่ละคอแตละคอจึงมีกลิ่นอายหนังจีนอยู่เกี่ยวกับกานสอนเนี่ยในน้อยเดี๋ยวเอาอันนั้นมาให้ดูเดี๋ยวนี้มาให้ดูเดี๋ยวตักมอบ้างเดี๋ยวลเดี๋ยวนี้นะอาที่เป็นเพราะคนสอนชอบดูหนังจีนก็ได้แต่มันได้กติ เขาจะแปลวาอะไรล่ะรักคืนเรือนมาสอนเอยมันจะได้เรื่องอะไรนะเรืออะไรรอยไถ น, นันทนาเก่งกระจ่าง ก, กบินบาลูลิศเหรอไม่เบี้ยเหรอเฮ้ย <c oughs> มันจะได้เรื่องอะไรไมนไม่เกี่ยวกันอันนี้นั่นไปลองดูนะถ้าใครมีตังไปที่โรตาว่าเนี่ย <c oughs> ไปที่ไหนนะ <c oughs> เออเมืองตาลี ประเทศเมืององค์ชายต้าลี่คืออยู่ด้านล่างเป็นเมืองเมืองหนึ่งของจีนน่ะก็คือจุกจีนลุกลานแล้วก็ถอยลงมาถอยลงมาลงมาลงกทั่งมาถึงเนี่ยถึงเมืองไทยเนี่ยเดีนี้ก็ไม่ไปไหนอยู่ที่สวรณภูมิเนี่ยสวรณภูมิเมืองทองไงแต่สวนภูมิเนี่ยลงไปทางไปพมา่พมาพม่าก็ว่าเขาสวรณภูมิเพราะมันมีในบันทึกของฝรัง่งไปทาง อินโดนีเซียอินโดนีเซียก็เป็นสุวรรณภูมิไทยก็ว่าสุวรรณภูมิมีหลักฐานที่อะไรเนี่ยพระปฐมเจดีย์ไทยก็ไปอ้างว่านี่ไงสุวรรณภูมิพระโสรณะกับพระอุตละเถระเนี่ยมาสอนธรรมะอยู่ที่สุวรรณภูมิแต่ก่อนเขาขึ้นเรือมานะมาขึ้นเรือมาแต่ว่าแดดดินแผ่นดินนี้มันงอก ง, งอก ง, งอก อ, ออกไปเนี่ยญาติโยมอ นั่งอยู่ใ น, นนี้อาจจะไม่รู้เรื่องเนาะอ้วเช้ามนทาคุยกับโยมบอกว่าประเทศไทยถูกสึนามิอีกแล้วปากใต้ตายเกอนแต่ไม่ใช่สึนามิเป็นแบบแต่ก่อนสึนามินี่คือแผ่นดินไหวเนาะมันแยกวูบแล้วงับเข้าอย่างเงี้ยข้างล่างนะแต่นี้มันไม่ได้เป็นนั้นแต่มันเป็นพายุพัดน้ำเข้ามาสูงเท่ากับศาลาเรานี่ ปั่นเขามาบูบแล้วก็กวาดพวกปากใต้ตายเรียบขนาดพื้นปูนซีเมนถนนรอบแลมสมิลาและแหลมอะไรนะมันพลิกปีนขึ้นมาเลยนะตายเยอะแยะนะี่ยแต่ก่อนเขาหาว่าอีสานแห้งแล้งเราภูมิใจสุะเกลืน <c oughs> อยู่กรุงเทพตายเรียบเหมือนกันนะ อยู่ปาะทไทยก็ตายเรียบภางเหนือก็แผ่นดินไหวที่แม่สอดเมื่อวานที่เชียงรายอีกต่างหากแม่สายอีกสามรละลอกอสกลนครโอ้ยกูอยากให้แผ่นดินไหวทับซุ้มรลับนี่เด้อว่าตายแม่มั น, นสั่เกินสงจะว่าก็ลับเอารับเอาแผ่นดินไหวมาแล้วลงปูใครแนวเ น, นี่ยไปไปไปมัน แต่ว่าท่านก็จะคงมม อ, อยุดมหอเมือยะหลบบ้าฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนะโอ้ยภูมิใจเลยเนี่ยภาคใต้มากว้านซื้อที่ดินปลูกยางพาราเต็มเลยเนี่ยแถวข้างๆวัดที่โน้นที่นี่เราก็ซื้อกันหมดลเลยเพราะมันยากลำบากยัางพาราน้ำดีที่สุดของประเทศไทยที่ไหนจังหวัดไหนบึงการที่อำเภอบึงของหลงเนี่ย ลงตาไปอยู่ที่นั่นสามเดือนไปอยู่ที่ปูลังกาไปดูโอ้น้ํายางเขาดีมากอากาศมันดีของประเทศไทยนะหมดประเทศนี่นะที่เนี่ยดีไปดูถ้าปลูกปิดต้นนะน้ํายางต้นบางต้นน้ํำยางน้ํายางมันเยอะหมอกเลยนะต้นมันแตกทําต้นมันนี่มันแตกคือยางจังหวัดหนึ่งจะมาปลูกจังหวัดหนึ่งพื้นที่หนึ่งพื้นที่หนึ่งไม่ได้ต้องเลือกพันธุ์ ขนาดยังไม่ได้กรีดนะแต่มันแตกมันบีออกมานะแต่ถามมันมีค้เสียไหมมีมีข้อดีไหมมีมีทุงอย่างมีข้อดีข้อเสียทั้งนั้นแหละไม่มีค้ไม่ดีไม่เสียเดี๋ยวนี้หลายๆลายคนใบ้านเราก็เริ่มเป็นเศรษฐีกันละปลูกน้ํายางน้ํายางไปขายพระลงตาไปคุยกับพระเเช้าพระถามว่าที่วัดก็ว่าจะตัดต้นไม้ทั้งหมดแล้วจะปลูกยางบาราเอ้า ขอให้เจริญเจริญเถอะนะวะปลูกยางพาราจะมีรายได้เราไม่ต้องไปรอพระป่าละต่อไปนี้เขาว่านะโอ้โหคิดเศรษฐกิจอย่างเดียวเลยเนาะโว้นเลยนะแทนที่จะเรื่องธรรมะธโมช่วยเหลือสังคมเลยหม่เราจะสร้างนั่นสร้างนี่ขายน้ํายางเอาหลวงพ่อลืมคิดว่าจะตายก่อนนะวะลืมคิดนะว่ามีการเกิดเจ็บเจ็บใจอย่างหาวัดตัดต้นไม้แล้วก็จะปลูกยางพารานะ ยางพาราก็จะเป็นพาระหล ะ, ละต่อไปขโมยเข้าขโมยยางพาราพระในวัดยากลำบากแล้วหลวงตากลับพูดเรื่องความเป็นคนให้ฟังใหม่นะพูดเมื่อกี้นี่ว่าคนไทยมันออกมาจากนั้นมันถอยล้นๆ้นล้นล้นลงมาเนี่ยแต่ถ้าพูดถึงประวัติศาสตร์ล่ะคนไทยเนี่ยนอย่างบ้านเชียงเนี่ยเขาขุดค้นพบอายุ 4,000 ปีอะ สี่พันปีแล้วคนพบกนคนเกิดอยู่ที่นี่นะกรุงเทพสุขโขทัยพวกนี้แปดร้อยเก้าร้อยปีเองนี่สี่พันปะีในกระดูกอยู่ในนี่แล้วจะลงมาจากโน้นได้ยังไงอาจจะเป็นชนกลุ่มหนึ่งที่ลงมาแล้วก็ไล่พวกนี้ออกไปนั่นเองนะถือว่าดนะีอันนี้พูดถึงคนคนคนค น, คนไทยคนไทยนี่ก็คนไทยเฉพาะอายุทธยาสุพรรณบุรีพวกนี้แถวๆนั้นนะคนไทย แต่ลงตามไปเพชรบุรีไปแสดงธรรม ท, ที่นั่นมาพวกเขาย้อยพวกอะไรอย่างนเนี้ยเป็นคนอีสานนะไทยดำเขาเรียกพวกไทยดำไทยดำรำพันนะสิบห้าปีที่ใ้เขาห่างแดนดินเซิงเข้าไปนะไทยดำํามันเขาอยู่นะัไม่อยู่กุยกับเขานะถ้ามาตอนนีนะ้เป็นคนอีสานโมดเนี่ยอีสานเป็นคนที่ ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคนอีสานเนี่เหมือนจะเข้มแขนะ็งน่ะแต่ว่าขึ้นกันกับข่าวเหนียวถือกน้าจานออกเป็นเม็ดไผ่เม็ดมันหมด่ามีคว่มสามากค้ยบ่ามีอย่างคนอีสานถ้าเป็นไปได้หลวงตาจะปลุกระดมคนอีสานประวัติปฏิวัติประเทศไทยเนี่ยมันยึดเลยนะคนอยู่กรุงเทพก็เยอะนะคนอีสานเนี่ยทางเหนือก็เยอะได้ปักใต้เอาแม่มันได้สู้เดี๋ยวด้วยเลยนะแต่ว่ามันปลุกไม่ขึ้นไม่รู้ว่าเป็นอะไรคนอีสานเนี่ย สมัยเป็นนักศึกษาเอาพาคุยอาจารย์ท่าสอนอาจารย์จันมุกเรืองสุวรรณเขาก็สอนดีอ่ะถ้าไปพูดคุยกับสอนศิวรักษ์ขึ้นมาแล้วโอ้เลือดร้อนหมดเลยเฮะคนไทยคนนั้นคนนี้ขึ้นมาขึ้น <c oughs> ไปดูเขา <c oughs> เขาเขาว่าดังนั้นเรื่องนี้เอาคนอีสานบอยขอ ด, ดีโรงงานในกรุงเทพตายหมดนะเนี่ยภาคเหนือดิ ไปกิดยางอยู่ภาคใต้คนเพื่นไหนคนอีสานนะฮะทางภาคเหนือวัดเกือบครึ่งภาคเหนือแล้วมั่งคนอีสานกรุงเทพก็มีแต่คนจีนเล็กๆน้อยๆนะน้องนั่งก็อีสานวดมาทางอีสานเนี่ยรู้แต่ว่ามันยึดประเทศไทยได้แล้วทําไมเฉยอยู่ถ้าเป็นคนเชื่อสายอื่นเหรอป่า น, นี้เสร็จเขาแล้ว คนอีสานคนภูไทยคนย่อคนกระลึงคนอะไรรู้ไหเนี่ยนะสกลนครขนาด ส, ก, สากลนครเนี่ยสากลนครนะเนี่ยจังหวัดสากลนครสากลนครก็คือมีทุกเชื้อชาติในสกลนครเนี่ยทุกเชื้อชาติเลยมีทุกเชื้อชาติรวมทั้งจัดศาสนาด้วยเดี๋ยวนี้มุสลิมก็เริ่มมีเนะี่ยทางบ้านทางท่า ด, ดุมทางอะไรเนี่ยย่อกระลึงภูไทยสวยสวยก็คือโซค่คือขเขมรนั่นแหละ ลาว ม, มีมีมูแต่ก่อนเมืองเมืองน้องหานสมัยก่อนสมัยพยาสุวรรณพิงคาระเนี่ยเมืองน้องหานเมืองสมัยพุทธศตวรรษที่สิบหกที่สร้างปูเพกเนี่ยต่อมาพัฒนาเป็นเมืองสกลทวาปีเมืองสกลทวาปีแล้วมาสกลนครสมัยของพระยาปัจจันตประเทศธานีเจ้าเมืองคนแรก คือพญางโนงนคำงโนนคือก้อนคํำใหญ่ๆเขาเรียกพญาเจ้าเมืองเจ้า ก, ก่อนหน้ชื่อ ง, อนงอนโนนคำงโนนคำโลตาเป็นแก้วโงโนนไม่ใช่งโนนคำแก้วเป็นงโนนอันนี้ต่อมาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นสากลนครเลยมาเป็น ส, กนสากลนครนะสกนนครคือคือมีนครที่รวมทุกชนเผ่าอยู่ในนี้ มากไม่หลากหลายเยอะมากแต่ก่อนนี้เป็นบวกกับธาตุพนมเยธาตุพนมพนมอย่างนี้นี่ไม่ใช่ธาตุปะนมนะไม่ใช่นะธาตุพนมเขาเรียกว่าอาณาจักสีโคตรตบุญสีโคตรตบุญมาจากคำว่าสิริบวกโคตรมะปุระปุระก็มาจากคำว่าบุรีนั่นแหละบุรีแปลว่าเมือง เมืองโคตมะคือเมืองซึ่งเจริญรุ่งเรืองด้วยคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระส ม, มณะโคดมเมืองที่เจริญด้วยคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยคําสอนของพระโคดมส ม, มณะโคดมเขาเรียกเมืองสีโคตตบูณ์อาณาจักรตัวนี้อาณาจักรไอ้ลาวอาณาจักรอะไรประมาณเนี้ยเขาเริ่มมาเนี่ เมืองศรีโคตบุตรเป็นเมือ ง, งนะเมืองหนึ่งเนี่ยเดินลุกลงมาทางเมืองเ ล, ลนูนครมาทางเนี้ยมาถึงน้องหานมาเรี่ยเป็นเมืองธรรมะมันมีมานานแล้วมีเนี่ยหลักฐานเขาพระธาตุเชิงชุมพระธาตุปนมมีปูน้ํำรอดเนี่ยเมืองพญานาคแต่ก่อนนะไม่อ่านว่าดูไปศึกษาดูนะประวัติศาสตร์ว่าจะมาเป็นอันเนี่ยนัอยู่คนแถวนี้ก็เลยมีธรรมะธรรมโมคนภูไทยเนี่ยว่าง่ายสอนง่ายคุยง่าย ะเป็นคนมีน้ำใจเป็นคนใจดีอย่างที่หลวงตาว่านะคนอีสานเป็นคนที่ไม่เกลียดใครไม่ชังใครเป็นเกลียดสร้างภัยพอค่อยเป็นนั้นมันจึงปลุกระดมไม่ขึ้นนไงมันเป็นคนที่เหมาะกับการปฏิบัติธรรมเข้าใจไหมพวกนี้มันจะมีจิตลึกๆอยู่กับอณิจังอณิจังคือการปล่อยวางว่าจะไปยึดเถาะสร้างพรเ็เถาะบาปภัยบุญมัน่นะง ภาคอื่นเป็นไม่แบบนี้มันไม่มีเขาจิตเขาดีอพูดยังไงว่าจิตดีจิตเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมจิตไอ้นี้ยนั้นธรรมะจึงมาอยู่ทางอีสานหมดพระสงฆ์เขาเจาะมาปฏิบัติธรรมทางภาคอีสานหลวงปู่มันหลวงปู่เลยบรรลุธรมมธธรมที่นี้คนนรกมาปฏิบัติธรรมทางโดยเฉพาะเมืองสกลนครเนี่ยภาคเขาเหงมาะมาเปิดสว่างแจ้งแถวนี้เยอะแยะไปฝากเขาทานั้นก็มีฝากเขาทาี่นี้ก็เยอะนะนะ ท่านปฏิบัติธรรมเพราะเราไม่เครียดแค้นชิงชังใครไงใจสบายสบายแล้วเป็นคนที่มีพื้นเพมีความนอบน้อมแต่นี่ก็เริ่มแล้วละเริ่มจะไม่นอบน้อมแล้วเริ่มจะไม่ดีเพราะวัฒนธรรมอื่นมันเข้ามาที่ก่อนเหมือนอยู่ในป่าในเขาแล้วมีวัฒนธรรมผีเยอะสมัยก่อเนี่ยมีผีปลอบอยู่เนี่ยบ้านนั้นเนี่ยมันนาเสาหงเนี่ยใครก็มานี่ใครเป็นผีก็มาอยู่ในนี้ใครเป็นผีก็มาอยู่ในนี้ผีปลอบนะ ผีปลอบคือผีขี้เน่าหนะไม่ใช่ผีปอบนะผีปอบมันไม่มีจริงนะคําว่าผีปอบก็คือได้ปลอบประโลมเอาอย่าคิดมากจะคืดไหลายสินะมันคืดไหลเป็นหนีเป็นสินหลอันนั่นนี่เลยคืดไหลพอคิดมากคือต้องปลอบประโลมเอาแล้วมันก็หายเนี่ยถ้างนั้นก็ด่าเอาดา่านะมันจะกลัวคนเสียงดังๆผีปลอบเนี่ยดูด่าว่าไปเลยเนะี่ยเดี๋ยวมันก็หายมันไม่มีหรอก นั่นประเพณีแต่มีหมอย ม, มอมยามีหมอผีฝ่าผีแดนตา้าเพราะว่าไม่ไ ม, ไม่เจริญไงแล้วพระก็ไม่ได้ทําหน้าที่ที่จะเผยแผ่ศักดิ์ธรรมนั่นพวกหมอผีพวกซึกออกไปพวกหากินแหละเป็นเจ้าจำเจำ้าจมไปตามเรื่องดอนผู้ตาผู้เต๋อไปไปตามเรื่องแหละหากินกับคนโง่ไปวันวันคนเป็นนั้นว่าเมื่อเกิดมีภัยคูกรรมแล้วก็ถือเอาผูเขาบ้างป่าไม้บ้า ง, าางอารามลูกขาเจดีย์บ้างเป็นสาระ นั่นไม่ใช่สราะที่พึ่งกเกษมนั่นไม่ใช่พิพึงอสูงสุดเขาอาศัยสถานะนั้นแล้วไม่สามารถพ้นทุกได้เนี่ยมันพ้นทุกไปไม่ได้ไอความมุ่งมายมีอยู่ทุกประเทศไหมทุกที่เทุกที่ในโลกเนี่ยมันระหว่างคนโง่กับคนฉลาดต่งางกันแต่ไม่ใช่อาศัยเหตุผลแลพุทธธรรมเนี่ยไม่รู้ไงรู้สึกเฉยเนี่ไม่ได้เกี่ยวกับเหตุผลนีอยู่อย่ก็บปิ้งเฮาจิตมังกรสวรเกิดเข้าใจชีวิตขึ้นมาเองในโดยธรรมชาติเนี่ยนี่เขาเรียกว่าพิีวิปัสนา ไม่ใช่มาใช้ใชพิจารณาเหตุผลอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้มันเป็นเรื่องของโลกอ่ะเนี่ยมันไม่ใช่วิธีการเข้าถึงธรรมแบบพุทธธรรมถ้าถามว่าเป็นอุปทานไม่ไม่จิตปรจจจะอุปทานไม่มีการยึดมั น, ม, นมาโล่งธรรมชาติเลยมันไม่ได้มีอะไรที่มายึดมันหรือมันม น, น้องกระแสสามงานทีแกก่อนก็มาอยู่เมืองน้องหา น, น ไปอยู่ใทยก็สร้างวัฒนธรรมประเพณีขึ้นมาเกี่ยวกับวัฒนธรรมพุทธศาสนา m มด t แหละผ้าแดงนั่งไอเองคุณรู้นั่งอั่วเองไปดูตำราอ่านตำราพัฒนาเท่าเท่าขีหอมอย่างเนี้ยเขาเขียนดีมากนะคนที่ร่างวัฒนธรรมของประเทศลาวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสีบูรพาของประเทศลาวเนี่ยคือมหา มหาอะไรลนะจำไม่ได้เนี่ยบ้านเดิมเขาเขาอยู่ที่ร้อยเอ็ดเนี่ยก่อนสงครามเขาอยู่ที่ลาวแต่นี่เขาเป็นคนทำประวัติศาสตร์ลาวเขาเขียนเขาจะลึกเป็นคนนักเขียนที่ดังมากแต่นี้ก็แก่แล้วละอาจจะตายแล้วก็ได้แต่ววตรวบรวมวัฒนาแต่ไม่ใช่คนลาวเขาเป็นคนที่นี่ที่เซลภูม ร, ร้อยเอดเนี่ยไปทำอยู่นู้น เราอ่านตำหลับตำราอ่านประวัติศาสตร์ลราคนเราคือคนพวกเราเนี่ยเราก็อ่านจากเขาเนี่ยเดี๋ยวนี้ลงทางก็หยิบมาสองเรื่มยังไม่ได้เปิดเลยมาแล้วมันไม่มีเวลาอ่านเขาถวายมานะมันก็ดีอ่ะก็มาฐานแบบนี้อยู่ในประเทศเราก็อยู่ที่วัดพุทธวงศสาป่าหลวงลคนครเวียงจันทร์หลวงพ่อมหาสีจันท์หลวงพ่อมหาสีจันท์เอยหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานเนี่ยเป็นอาจารย์ขององค์นั้นน่ะนะพวกนู้น องนี้เทพ ด, ดีมากเวลาคุยหลวงพ่อศรีจันทร์เนี่ยที่สอนหลวงพ่อเทียนสอนผู้ใหญ่บ้านเทียนจนถึงสว่างตั้งแต่หกโมงเย็นจนถึงหกโมงเช้านะหลวงพ่อเทียนจึงปฏิบัติทำแล้วจึงไปบวชนะแต่ลุนตาตามไปที่อาจารย์ขององค์นี้อีกต่างหากเจิงพาณนชย์มีแบบเหมือนวัดเนี่ย๋ยู่ท่แยงจันทร์เหมือนวัดอัไรใน น, นี้วัด บาทสุทาวาสเนี่ยพีเจดีท่านอยู่นั่นเขาก็ยังทํากรรมฐานแบบเดิมๆอยู่นะแบบยกมือแบบเดิมท่านก็ลืมนั่นแหละไม่ได้ยกมือแบบนี้นะยกมือแบบเก่า อ, อลองสมเด็จอยู่นั่นก็เข้าหาง่ายของเจ้าอาวาสบ้านเราไม่เราไปหาท่านเนะี่ยคือคนที่เป็นลองสมเด็จฝ่ายวิปัสนาอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสนาของประเทศเราคือหลวงพ่อชาลีหลวงพ่อชาลีก็เป็นคนยโสธร ไ, ไปอยู่ที่โน่นไปอยู่ที่ลุงาไปอยู่ที่โนเขาก็ถวายวัดทั้งสองวัดนะแต่ก็ไม่กล้าอยู่แถวท่า ง, งอนแถวอะไรเงี้นะอยอะไรคือทุดงไปมันก็ไปทั่วแหละเนาะไปมอดแหละย่ำไปเรื่อยๆนะทุดังทุ ด, ดงทุดันทุ ด, ดรังทุเลสไปหมดไปดูประวัติศาสตร์เขาดูโน่ น, ด, น, นดูนี่ลุงต า, าไปอยู่เขื่อนน้นํางิบนุงตาเก็บปอกกระสุนปืนต่อสู้กับศัตรียมาเป็นย่ำเลยะที่น้ำเงิบนะ่ะ เพราะอยู่ในสันเขื่อนน้ํางินเงียบแล้วเขาปิดเนี่ยเป็นเด็ดเล็กๆมันเหมือนกับเขื่อนผู้มีพลนี่แหละมันปิดในน้อยเองแต่มันบรรจุน้ําเยอะมันไม่ได้สันเขื่อนยาวเหมือนเขื่อนลํำปาวเขื่อนลำปลาวเป็นเขื่อนดินที่ยาวที่สุดในประเทศไทยเนะ่ยนี่ยาวอ่ะเนี่ยแต่นั้นนิ ด, นดเดียวแต่มันกั้นน้ําเยอะแต่ข้างหน้ามันมีแตะปอกกระสุนสมัยทุ่ดงไปนะแต่ในนี้คงไม่มีแล้วล่ะเขาเก็บกระขายหมดแล้วล่ะน้เรา เอามาทําอะไรมาทําด้ามกดด้ามมีดพระกรรมฐานรักษาทรัพย์สมบัติมัน <c oughs> ไปเรื่อยนะที่ตรงนีง้คนลาวเขานอบน้อมดีอ่ะไปเห็นนักเรียนลาวโอ้ยนักเรียนลาวดีนะเวลาเขาขี่จักรยานไปเรียนนุ่งสิ้นมีพี่เสื้อเขาก็พี่เขาไม่ให้โปโปเหมือนเรานะเสือเ้อแขนยาวไม่เห็นเนื้อ เ, เห็นตัวเห็นแขนนะเขานะ่ะผู้ชายก็เหมือนกันไปเรียนร่วมกับเนในวัด ตัว น, นอยไปมาไม่เลยดวงโดกเขาแล้วมาคิดดูเราเราไปเรามานี่ก็คือเอากว่าจะมาเป็นมานั่งอยู่ตัวนี้รอตายมาหลายครั้งหลายคราวกนะว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยนั่นชีวิตพวกเราเนี่มานั่งปฏิบัติธรรมเอาใน น, น, นน้อยนี่รีบทำเถอะไอ้นะ้อยเนี่ยนะยังไม่ได้ไปไหนมาไม่ได้ไปค้นคว้าหาอะไรที่ไหนนะะมาปฏิบัติธรรมรู้สึกตัวเฉยเฉยเนี่ ลุตาเคยเล่าให้ฟังเราไม่รู้นะลุตาเคยไปบินธบัติอยู่ที่เมืองลับแลไปอยู่เมืองลับแลช่วงหนึ่งไปบินธบัตันนั้นต้องตะโกนไปเมืองลับแลเนี่ยไปบินธบาติตามสวนทำไรเขาเพอไปเผยแพร่ธรรมะอยู่ที่นูนกลัวนะเพราะว่าจะเอาว่าที่นิมนต์ไปเป็นกระเทยนอหนปเทศมันมีพิพิธภัณฑ์เมืองเงินตราด้วยนะที่นั่นใหญ่ด้วย ไปบินจับาทต้องร้องไปร้องไปนะมาแล้วโยมขาะนี้ถึงบ้านโยมเนี่ยจันเด็ดติต้องตะกกนแล้วนะมาเราเด้อนะปี๊งไกลไวนะ้เด้อโอ้ยแบบนี้ก็ยังมีนะว่าโลกกันนี้ว่าตะโกนเขาให้องค์อยู่สุดท้ายนะถ้าสมมว่าเนี่ยเลี้ยงไปโยมแอนอยู่สุดท้ายเนี่ย ก็ต้องเป็นคนตะโกนหลวงตามันเตี๊ยวกว่าเขาเขาให้อยู่ท้ายแถวโอ้ยเสียงไม่ดีว่ะเจ็บคอว่ะ <c oughs> ไปห้องตะโกนปกติมันจะถือคล้องนะไปเรื่อยๆแต่นั่นเขาใช้ตะโกนที่แรกหลวงตาไม่รู้นะเห็นนอ่นข้างหลังมันร้องตะโกนตกใจหมเลยมันห้องอย่งว่ะเจ้าไปตรงห้องดอกเขาตื่นยืดอกก็จะนะตะโกนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย มาแล้วโอ้ลวงตาตื้นเนอาเองไม่ได้หรือไงกว่นั้นก็ให้กูตะโกนโน้เจี๊ยบนื่งเข้าซุกละบอ้อยตายนี่คือตายป่ะเป็นประเพณีนะต้องตะโกมนมปเร่อตลอดเลยนะขุ้หลวงปู่สั่งไปนี่เสีได้หลายอยู่เป็นห้องดีพ้าเสียงฟังเสียงท่านดําวัดนะก็ล่ะนียมมดตะกุจทะเลนัยน์ดังเบิ่งดัง บ้าว่ะไม่ได้กิ่นดอกแบบนี้มันต้องเสียงแหลมแหลมห้มองดังๆังมันก็เพลิดเพลินประไปตามเรื่องไปอยู่ของเขากลับมาแต่เวลามาถึงวัดเนี่จะอาวาสกระเทยเนี่ยเราเป็นคนดํามกลัวชำนาญมากปับป๊บปับป๊บท่านเป็นกุ๊กเก่านะเราก็มีเจสวรธรรมะเดี๋ยวผู้หญิงลงมาเต็มเลยผู้ชายก็มีนะ้ําเมืองรับแลเนี่ยผู้ชายก็มีผู้หญิงก็มีเจดี JD เขาในเมืองเขาเก่ามากท่าอะไรจา่าอะไรไม่รู้ แล้สวสอนธรรมะพาเข้าปฏิบัติธรรมตรงนั้นก็นเออพอมีคนรู้รูปนามบ้างนะเที่ยวไปเที่ยวมานะคนแรกที่นิมนต์ใบใครในแพทย์สาานาสุขอุตรดิตตนไหว่าไปท่านเป็นคนชอบปฏิบัติธรรมยากถ้าเราคิดว่ายากก็ยากชีวิตเนีย้ยนั้นมาวันนี้ เรามาเยี่ยมดินแดนเมืองสกลนครเนี่ยเมืองพุทธนะี่เมืองพุทธเมืองพุทธเมืองพุทธในสกลนครนี่ลงตาเที่ยวไปทางกุฎบากก็ตุดเยอะผนะนะตุดนี่แปลว่าตูดนี่เหลือเลยไงลงตาก็ไม่เข้าใจนะมันเป็นศัพท์ใหม่ๆไม่รู้ไปเท่านั้นนะหรือภาษาฝรั่งไงไ ม, <c oughs> ม่นเยอะเคี่ยวมากอะไรประมาณนั้นนะเขาสร้างภาพนะ อยากให้เห็นอยากเห็นพระวิปัสนาอย่อะๆต่อไปเนี่ยมันจะมันจะหมดไปวัดน้อยๆหมดไปหมดไปวัดบ้านเนี่ยที่สนองวัฒนธแต่มันจะเป็นสํานักปฏิบัติทำให้มันเหมือนราชการน่ะเหมือนต่างประเทศที่เขาทากันนะในวัดเรานี่ยเขาเปิดสาขาเนี่ยอยู่ที่อินโดนีเซียเดี๋ยวนี้ปฏิบัติธรรมอยู่ที่โน่นใครจะไปก็ไปนะวันที่วันที่หกหรือพฤษภ า, าเนี่ยเขานี่บนลงตาไปไปทําวิธีวางศิลาเลิก ซื้อที่วัด13ล้าน13ล้าน5ไร่ยากลำบากอยู่สร้างหลายที่หลายแห่งเกินไปลำบากอิโนโดนีเซียก็แผ่นดินไหวบ่ย <c oughs> อยอั้นบ่อยอันนี้บ่อยนะไม่รู้ยังไงเนาะเชื่อสายแบบเหมือนภาคใต้ยอย่างเงี้ยคือคนเขาก็อยากฝึกอยากปฏิบัติธรรมอินโดนีเซียได้ยินหลวงพ่อว่า อยู่ที่โน่นรู้สึกว่าเขาจะตื่นตัวเรื่องพุทธศาสนาเนี่ยมากๆ ก, กว่าประเทศอื่นทางยุโรปไปซ้ำไปเขาดีมากนั่นพวกเราตั้งหลายไม่ต้องห่วงหรอกไม่ต้องคิดวิตกกังวลว่าอันนี้มันจะถูกจะผิดปฏิบัติธรรมแล้วมันนอกาศาสนานอกกรรมปีไม่ไม่ต้องไปเกี่ยวให้เข้าใจง่ายๆว่าพุทธธรรมคือการระลึกรู้อยู่กับกาย แต่ถ้าลูกเพ่งลูกแก้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนู้นี่ออกไปนอกตัวผิดไปละรู้กายเพื่อเห็นทุกทุกสมุทัยนิโรธมากพอเราดูเนี่ยฝึกสติอันนี้เพื่อดูกายเฉยเนี้ดูแต่ดูจนทั้งมันรู้แจ้งทีนี้การไสจังหวะเดินจงกรมเนี่ยมันช่วยในการประคองการดูได้ดีขึ้น <Yeah. S 1> แล้วมันก็เตื่นตัวยิ่งไม่หลับตาเนี่ยยิ่งดีอ่ะนะไม่ใหม่มันอไกระจะแวบไปแวบมามันดูนั่นดูนี่แต่ีิสระมันก็จะไม่มีอะไรดูหรอก yeah. มันไม่มีอะไรจะดูมันก็จะอยู่ดูดูตัวเองเนี่ยแล้ลึกรู้เหมือนเรารู้ลมหายใจเนี่แหละรู้มากเข้าๆมันก็จิตมันจะตื่นขึ้นๆขึ้นๆขึ้นๆมันจะกลับไปสู่ยุคทองได้ไหมยุคทองอาณาจักรสีโคตรตะบูนเนี่ยมันไปได้ไหมมันกลับได้ไหมสมมติสกลนครนี่ก็งมงายนะะงมงายอาจารย์นั่นอาจารย์เนี่ยเห็นไหมมันให้มีอะไรนะมันไม่ได้เข้าถึงธรรมนะ มันยากยากเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งวิธีการยากสองครูบาอจารย์ไม่รู้จริงก็ไม่สอนบางทีรู้จริงรู้แต่ไม่สอนเป็นพระปัจเจกรู้ได้เฉพาะตนดับทุกได้แต่ไม่สอนคนอื่นเลยมันก็เริ่มเสือเส่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงอ่พอมันเสื่อมลงมันจะเหลือแต่ซากซากคือซากของการก่อสร้างเหลือไว้่ ใหญ่โตเหมือนไปทาบ้านเหนือนะสิ่งปลูกสร้างใหญ่โตมากวัดบ้านนอกก็เท่าวัดอารามหลวงไปดูที่วัดบ้านอะไรนะหลวงท่าวระเท่ากับวัดพระแก้วเลยนะความใหญ่โตเ้านะ่ะมีพระอยู่สี่รูปแต่ท่านจะทําพิธีครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นสิบล้านทําพิธีนะทําพิธีสะเดาะเพาะต่อชะตาทำรุ่นทํานี่นะพิธีอะไรนะยันเกราะเพชรเขานะ่ะพอถึงหน้านะเขาจะทําพิธียันเกราะเพชรเขา คนมาสดระข้อเนี่ยบริจาคเป็นร้อยล้านนะทํายันนั่นยํำนี่ลงตายจะไม่มีอะไรแล้วมันมียันมียันเลย <c oughs> เอาคนรู้ทำมาเนี่ยกระเถบตายนะถือว่าง่ายที่สุดนะอันนี้แต่เขาบอกว่าทําาันนี้มันยากมันยากทำมาเนี่ยนะทําเรื่องอื่นดีกว่าผมานะขนาดโรงงานหล่อพระพุทธรูปนี่ยังไปตั้งอยู่ข้างวัดเลยเพราะว่าพอทำพิธีเนี่ยคนมาสั่งพระพุทธรูปสั่งพระพุทธรูปสั่งพระพุทธรู ป, รรปเห็นไหม องละหมืน่นองละแสนเนี่ยผลิตแทบไม่ทันอยู่ข้างวัดนั น, นะน่ะมีหลายโรงงานสร้างบูตรูปนีน่รอเนี่ยเขาไปเพราะว่าเขาไปสั่งซื้อในวัดนั่นเลย ท, ทําวิธีนี้ก็สั่งเข้ามาสั่งเข้ามาเนี่ยเอามาบริจาคบริจาคบริจาคศาราเขาหลังหนึ่งนะลุงตาดูนั่นรู้สึกว่าเนื้อที่ประมาณสักสิบไร่นี่แหละสาลานะสิบไร่แมวเข้าศาลาให้ลุงตาไล่ห้ยอยกุ้งปไหลแล้ววัวไก่เพื่อมันเสิออก สิบไล่ไล่ตีแมวเนี่ยคุณพระนี่แล้วสิหอบตายก่อนเนาะไล่แมวให้ออกในพื้นที่สิบไร่มันจะไม่หอบตายเหรอแต่นี่ถึงอ่างเก็บน้ำม่นอ่ะมันจะทันมันหรือขนาดซาลาลรานี่ก็เทียบตายแล้วถูนี่ถูไปถูมาแม่มนกูตีระคั่งตังๆมันก็บรรตุนมาถูซอยกูน้อสมิทธกันอ่มีแต่มันนั่งรูดเดียโอ๊ยกูปวดในกูสีเศร้าสอนแม่มันจะบอ๊ออเนี่ยมันก็จมในใจเห็นไหม มันต้องลอยซอยกันเด้ลุกขึ้นมาเด้ขู่บาพันทูขู่บามินแล้วตื่นเด็กตีสามป๊อเลามาหัดแล้วถูแล้วแล้วเราก็ลบไปตีละข้างให้ถูแต่ข้างบนพระนะต่ข้างล่างให้โยมถูเอาทำสะอาดถ้าอุตั้งใจใโยมเราเกิดมาเนี่ยไม่ว่าเกิดที่ไหนเกิดเป็นชนชาติใดภาษาไหนอะไรยังไงก็ตามนะขออย่าให้มันเป็นทุกข์คนคนคนคนแปลว่ากวนนะ คนกวนมีมดกวนแนวเยอะหน่อยก็ฮักขึ้อลองตาพูดเมื่อกี้นั่นแนะ่ะเดี๋ยวเป็นอินเป็นพรหมเป็นใจดีในใจหายในใจห่วงใจเงาใจเบื่อใจนายใจขี่เกียจขี่ขาดใจสูญอ้อยสารพัดใจคนก็คือผู้ที่มีทุกอารมณ์แล้วไหลอยู่เรื่อยๆคนขวนอยู่เรื่อยๆ น, นะกวนทางตาทั้งหูทางจมูในคนละคนปนเปรีน๋ น, น, น, น, นั่นแนหะนี่เราจะมาหยุดคนซะเรื่อนระดับให้เป็นพระซะอยู่เหนือความเป็นคน อ้าวมันก็หยุดปรุงแต่งเห็นไหมมาใหม่ๆในคืดไหลขึ้นอย่างเนี่ยมาที่แรกก็ตั้งใจดีอยู่พอปฏิบัติไปวันหนึ่ง <c oughs> ไม่ได้เละคิดเยอะพอวันที่สองก็เริ่มดีขึ้นวันที่สามคิดบ้างวันที่สี่ก็เริ่มปร่งใสขึ้นไม่รู้จังอาการนะอาการต่อไปนี้เป็นอารมณ์ที่คนปฏิบัติธรรมเริ่มเจอนะโอภาสโอภาสคือความสว่างทางใจปฏิบัติธรรมเนี่ย สรงจังหวะไปสร้างจังหวะอ ย, อยู่ๆก็สว่างแจ้งขึ้นมาบางคนก็ดีใจนะ ด, ดีใจปลื้มปิติแล้วก็จะเกิดความรู้อ๋อเข้าใจว่าเป็นเรื่องนี้นะแล้วก็เกิดปิติความเอิบความบีบความลงเย็นหลงว่าบรรลุธรรมนะนะเวลามันดีใจมันอดดีใจไม่ได้ล่ะคนเนี่ยเพราะมันไม่เคยเป็นอดดีใจไม่ได้แต่ปฏิบัติธรรมเนี่ยทิ้ง กลับมาอยู่กับรู้สึกตัวเฉยเฉยนะมันเป็นปรากฏการณ์ถ้าจิตมันเข้าสู่กระแสอันนี้มันจะเป็นแบบนั้นนะมันจะเป็นแบบนั้นเหมือนเราจะเป็นสาวอย่างเนี้ยอันเนี้ยมันจะแข็งแขงเนี่ยนมเมันจะแข็งแข็งึ้ยมันจแข็งแข็งถ้าเป็นผู้ชายก็นะนมมันจะออกหนวดนะมีขนเนะเกิดขึ้นเร่เริ่มเป็นนี้ขึ้นมามันจะเป็นธรรมชาติวันน่ะอันนี้ก็เหมือนกันเวลารู้สึกตัวไปเนี่ย เวลาเราจะบรรลุธรรมไม่ใช่บรรลุนิติภาวะนะอันนี้เขาเรียกวบรรลุนิติภาวะนะัเกิดอันนี้อันนี้ขึ้นมาเนี่ยเสียงก็เริ่มเปลี่ยนมีเริ่มมีลูกกระเดือกเนี่ยเขาเรียกวิวัฒนาการทางกายแต่ทั้งจิตเนี่ยจะมีปรกากฏการณ์ที่แบบหนึ่งก็สว่างแก้งขึ้นมานะ่ะเห็นไหมเรามาทำมา น, นี่ให้มันโตขึ้ น, โ ต, นโตขึ้นจิตเราเนี่ยแต่เราอยากเอาความคิดไปเลี้ยงมันอยากเอาความง่วงไปเลี้ยงมันอยกเอาความเบื่อไปเลี้ยงมันเอาความรู้สึกตัวทั่วพร้อมไปเลี้ยงมันเนี่ย ออกไม่ไปกินอารมณ์เก่าๆความหุ่งความเงาความเหมืองงนอีอยู่ๆมันก็จะเกิดภาวะอันนี้ขึ้นมาเราก็จะเกิดดีใจห้อยกูเด็ดถ้าพูดหนึ่งก็คือเอามันได้เห็นทำแล้วน่ะมันทะลุทำทะลุสัจจะทำทางโลกเป็นบรรลุนิติภาวะคนอื่นบอกให้ตั้งเกณฑให้แต่การบรรลุธรรมเนี่ยตัวในน้อยมาทําก็แจ้งอันนี่ยเราลูกสาวผู้จัดการเนี่ยมาปฏิบัติธรรมน้องกระถินเนี่ยแต่ก่อนก็กลัวนะกลัวไม่อยากเอามาเพราะตัวมันเล็กไป กลาวมันจะเข็ดหลับเพราะมันปฏิบัติธรรมยากขนาดพ่อมันมาในก็ยังแทบตายแม่มันมานีเก็จมไหลถ้าลูกมาจะเป็นไงน้อลองเสียงเอามานะท่านก็เอามาเอามาปฏิบัติธรรมปรากฏว่าพ่อพิดเทอมมันอยากมาเองน่ะนะอยู่ป .5 ป .6 มันอยากมาเองมันไปชวนเพื่อนมาเลยประมาณนี้เขาก็มาเลยเนี่ยเห็นไหมมันไม่ได้เกี่ยวกันว่าตัวโตๆอายุการศึกษาสูงแล้วจะเป็นนะมันไม่เกี่ยวกันนะ การสู้กับอารมณ์เนี่ยมันสําคัญมันไหวไอตัวโตๆในี้ยิ่งสอนยากสอนยา ก, อยากบอกยากไอตัวเล็กๆถ้ามันตั้งใจทํำมันจะเห็นเขามันอเองมันก็จะรู้จักนะีะ่ะเวลาเขาเข้าใจเคาจะบอกหลวงตาเนี่ยเนี่ยหลานใายเล้งเนี่ยอน้ำน้ําอะไรน้ํามนน้ําลินน้ําค้างน้ํามูกน้ําหมอกอะไรโอ้ย ห, หลายน้ํานละน่ะ ไอ้ตัวเล็กๆเนี่ยมันมาปฏิบัติธรรมมันก็ได้อารมณ์ไหมตัวเล็กๆท่านหูตายไม่รู้เป็นไงหูทําอม่ไี้ไปอยู่ๆก็สว่างขึ้นมาเลยนะเนะ่ยก็แท่งพวกกลับไปมันก็เปลี่ยนนิสัยไปแล้วมันก็ไปคุยกับพวกที่เจ้าของที่สร้างคอนโดคิดจะศาสนานะ่ไปคุยกับเขาคุยไปคุยมาเขาก็ถามไปถามมาถามไปถามมาเขาเชื่อว่าเด็กทําไมทําเป็นและทําได้และนิสัยมันก็เปลี่ยนไป คนที่นับถือศาสนาคิดที่นั่นเขาได้มาปฏิบัติธรรมเพราะอีนางันเนี่ยเขาไปเห็นเด็กคนนี้แล้วเขาถามแต่ก่อนเขาว่าเคยอยู่ด้วยกันมันมาเล่นอยู่มันไม่เป็นแบบนี้น่ะเขาว่าตั้งแต่มันไปปฏิบัติธรรมมามันเปลี่ยนไปถาม่วเท่านี้มันอธิบายเป็นถูกเป็นตะิดป้ากูอยากรู้บ้างคิดแต่ศาสนานี่ยเขารับไหมเนี่ยโอ๊ยป้ามันไม่มีอะไรหรอกลุงตาว่าคิดศาสนาก็คือคนคิดมากนั่นแหละนี่น่ะมันว่ามันไม่มีอะไร พูดคิดอะไรก็ตามนะ่ะก็คือไปปฏิบัติเพื่อดับความคิดนี่แหละคนคิดมากคนปรุงแต่งรู้แจ้งได้เหมือนกันหมดแต่หนูยังรูงเ้เงยเป็นวเนี่ยแค่อนุบาลพอหนึ่งเองอะ่ะมันยังเป็นแล้วมันอยู่ที่ใจของมันเนี่ยสำคัญว่าจะเอาจริงกับมันไว้สอนง่ายง่ายเห็นไหมลูกหลานใครมาเเดี๋ยวหอบกับข้าวขึ้นมาแล้วเอาโต๊ะเอา น, นัอันนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาทาดีสอนเป็น มันจะตัวเล็กๆเงาะพวกนี้ลูกหลานพวกนี้เขาปฏิว่าิทำหมดแหละของเราก็เหมือนกันน่ะมานี่ยังง่วงยังเงายังสลึมเสลึมโอ้ยโง่กว่าควายพวกนี้หลวงตาก็เป็นเหมือนพระเทียนหรือเหมือนกันไปก่อนเนี่ยเป็นอย่างนั้นเหมือนกันน่ะมันง่วงมันเงามันสารพัดนะแต่อยากให้ฝืนไปเถอะทะลุไปเลยเนี่ยหลวง ป, ป i, yes. ู่ชานะเวลาท่านไปเดินจุกรมมันหง่วมันเหมันคิดมากนะ ท่นดึงผ้าสะบงขึ้นมามัดไว้บนเอวนี่แล้วก็เดินจงกรม <c oughs> ว่าเดินโชว์เลยนะอยู่ในป่าคนเดียวหรอกวะให้ผีดูมันก็เริ่มซึมมีขลราอายนะมันยังคิดมากอยู่ก็เดินฝ่าหนามเข้าไปในป่านามักเล็บแมวน่ะนะ <c oughs> เรามันไม่เอาจริงปานนั้นเด็ดเนี่ยถ้าตั้งใจทำเนี่ยมันก็จะไปไหนสะจิตของคนเราเองเนี่ยเราจะเลื่อนระดับ นะเลื่อนระดับจากความแต่ใหม่ๆนี่มันจะรู้บ้างไม่รู้บ้างรู้บ้างไม่รู้บ้างเดี๋ยวนี้เราอยู่กับความคิดนะปรุงแต่งแบบนี้แต่พอมันมีโอภาษคือมัน ม, มีความสว่างขึ้นมามันจะมาทางเนี้ยจิมันจะมาอยู่กับความรู้สึกตัวถ้าถ้าสว่างขึ้นมาสักหน่อยแจ้งขึ้นมาสักหน่อยเนี่ยหลังจากนั้นความรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยจะชัดเจนมันจะง่ายขึ้นเดินเนี่ยจะง่ายขึ้นลงโอ้ทาไมมันมาเองเนอะรู้สึกตัวมันเป็นเองมีเองเนี่ยนี่ยเขาเรียกว่าจิตตกกระแส เข้าสู่กระแสเส้นทางที่ไปหาพระนิพานพานพระนิพพานก็คือภาวะที่รู้ตัวนี่แหละที่จะเดินทางไปเนี่ยดูในนี้เขาเรียกว่ามักเนี่ยถ้าได้ตัวรู้ตัวที่เป็นอัตโนมัติเป็นมักแล้วผลก็อยู่ถนนแล้การเข้าถึงเนี่ยการทำลายกิเลสได้เป็นผลเป็นผลเว็นผลไปแต่ว่าพอมันเกิดความรู้ความโล่งความโปร่งความเบาความอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยการเดินทางรู้สึกมันสบายแปลกนะวันที่หนึ่งสองสามแทบตายนะแต่พอได้อารมณ์มาเอา้า ไอ้เจ็บปวดมันไม่รู้หายไปไหนอ่ะมันไม่มีเหมือนเขาว่านั่นมันไม่มีเดี๋ยวนี้เรายังไม่ถึงเดี๋ยวนี้เขาถึงบอกว่าปฏิบัติเข้าให้ถึงธรรมถ้าเข้าให้ถึงธรรมธรรมจะพาคุณไปเองเข้าให้ถึงธรรมธรรมจะรักษาคุณเองเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเข้าไม่ถึงธรรมแล้วว่ามัน่มีดอกเราก็มีแต่ธรรมโล่ๆแบบโง่ๆนั่นแหละเหมือนเดิมตามภาษาเราสนุกสนานเพลิดเพลินไปอ่ะ คนทางโลกโลกเนี่ยเขาอาศัยแต่รูปรถขี่เสียงสนุกสนานเพลิดเพลินแต่ทางธรรมนี่เขาให้ถึงสัจธรรมวเนี่ยแล้วมันเป็นไปเองไม่ได้เสียเงินไม่ได้เลยแต่มันสงบด้วยมันดีด้วยทําไงเนี่ยชีวิตเนี่ยจะเอาคนมาพัฒนาภาวะแบบนี้ให้มันเป็นนะเรามีลูกมีหลานมีผัวมีเมียมีวันโอ๊ยเกิดมาเนี่ยถ้าเรารักใครเนี่ยให้เขาพ้นทุกข์ไปซะให้เขาพ้นทุกข์ไปซะเห็นไหมหลวงตาอยู่ในวัดเนี่ยต้องจ่ายคนมาปฏิบัติธรรม หลายคนโอไม่มีตังอา้าวให้วันละสองร้อยเขาก็มาปฏิบัติธรรมนะคนนั่นคนนี้ก็มาให้มันสองรอยแต่จริงเรามีเงินไม่ก็ไม่มีนะเชิ่อมรถก็ได้ร้อยบาทเองแต่เขามาจ่ายตั้งสองร้อยจ่ายเพื่ออะไรเพื่ออยากให้มันรู้ธรรมะนี่รู้ธรรมะรู้เส้นข้าวก็กินฟรีอะไรก็ฟรีฟีโมดตันี้นะช่วยเขาเพราะไม่รู้จะทำอะไรอ่ะ มันมีอย่างเดียวก็คือปฏิบัติธรรมเนี่ยดีที่สุดกว่าอย่างอื่นเนี่ยอันนี้มันดีกว่าเพื่อนนะนั้นเราใส่ใจซาปฏิบัติธรรมเนี่ยใครอยากมากับมาไม่อยากมากับช่างเขาเราก็ไม่ได้ว่าอะไรใครแต่ว่าอยากให้ปฏิบัติธรรมถ้าปฏิบัติธรรมเข้าใจทำศึกษาทำได้เนี่ยชีวิตจากที่เคยเป็นอยู่ต่ําๆเนี่ยมันจะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นมันเลื่อนระดับนะนะ ในระดับแต็มที่จะจมอยู่กับทุกข์เหมือนเมื่อก่อนไม่เป็นแล้วนะมันตื่นแล้วจิตมันตื่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีความโล่งความโปร่งอยู่ในใจอจิตของเราเนี่ยจิตมันตื่นตัวละมันเห็นได้เห็นได้เฉพาะตนนะไอ้นี่ยอืเป็นปัจจิตังรู้ได้เฉพาะตนเห็นได้เฉพาะตนแต่ถ้าคนไหนที่ที่รู้มาก่อนเนี่ยจะดูออก แล้วเวลาคุยกันเนี่ยคนไหนรู้ไม่รู้เนี่ยมันมันมันโกหกกันไม่ได้อันเนี้ยคุณจะมาสร้างเรื่องสร้างราวขึ้นมาไม่ได้นะไปไม่ถูกทางถนะ้า<ม>เขาถามเนี่ยเพราะว่าเข้าใจอันนี้มันจะต้องรู้อันนั้นเข้าใจอันนั้นมันจะต้องรู้อันนั้นเข้าใจอันเนี่ยมันต้องรู้อันนี้ปรากฏว่าคือความรู้มันจะเกิดขึ้นด้วยนะแต่ถ้าบอกว่าบรรลุอันนั้นบรรลุอันนี้เวลาเขาถามสอบมันไม่เกิดเนี่ยโกหกนะบ นั้นรู้น้อยกว่ารู้น้อยรู้มากก็รู้มากเนี่ยไม่มีอะไรหรอกรู้สึกตัวเฉยเฉยอย่างพระโสดาบันถ้าบรรลุธรรมนี่จะรู้ว่าตายแล้วไปไหนนะสงสัยไหมว่าตายแล้วไปไหนจะว่าให้ฟังเนี่ยถ้าตายที่วัดโสม น, นัสนี่ก็ไปที่เมนเนี้มันเดีกรู้เรื่องมากกว่านั้นไหมถ้ารู้เรื่องมากกว่านั้นก็ได้อยู่เพียงแต่ว่าไม่มีวุฒิภาวะพอที่จะรับรู้เรื่องที่จะพูดเนี่ย โนดาพูดไปมันแมนบอแน่มันต้องรู้เองอหรเนี่ยแต่ว่าเว้ยตายแล้วมันก็ตายแล้วเนะาะธาตุขันที่เฉ ย, ยประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี่ละทั้งหาประโยชน์ไม่ได้มันไม่มีอะไรมันแมนบอพูดเห้นเพือมาเข่าฝันอยู่พูดหนีตายแล้วก็ยังมาเป็นี่ยนแน่แนแนแนอยู่ที่สีสะเกดนะใครอะท่านนี่สีอีสานนะมัวร์ลํา รถชนตูมพวงมาลัยอัดเป็นรูปพวงมาลัยเต็มเลยเนี่ยอยู่ในนี่กระดูกยุบหมดเลยอตายแต่เผอิว่าคือคนเนี่ยมันตายแล้วมันไม่ตายทันทีนะมันจะเหลืออยู่นิดหนึ่งวินาทีหนึ่งห้าวินาทีครึ่งวินาทีมันจะมีความรู้สึกอันนั้นอยู่จิตเนี่ยถ้าคนฝึกมาก่อนจะสามารถนิพพานได้ตอนนั้นเลยได้ที่เราจะให้ฝึกสติไว้เตรียมตัวว่าจะวางจิตยังไงตอนจะเป็ น, นจะวางยังไงแต่ถ้าทําไม่เป็นเนี่ยแย่นะ พอเพอินมาอยู่ข้างๆตรงสี่แยกนั่นมียมคนหนึ่งกําลังตั้งท้องพอดีกําลังจะคลอดครอดลูกพอดีเลยอาทิตย์ต่อมาเขาคลอดลูกพอดีเลยปรากฏว่ามีลูกพมอะไรเต็มอยู่ในหน้าท้องลูกเขานะั่นเป็นไปได้ยังไงนะฮะพอมันโตขึ้นมันพูดเป็นมันหยิบอัลบั้มก็ะยับกระยับกระยับเข้ามาสิอันทีเลยจบสิบสองเพงลงรวดเลยยังไม่ได้อ่านเลย เป็นไปได้ยังไงอ่ะเอ้าแสดงพวกก็ตายแล้วเกิดสิ่น้ตตาจะพูดในความว่าตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดมันก็จะไม่เข้าใจอีกแล้วนั่นจะมีข้ออ้างนะไอ้นูนอะไรนี่นะเอ้าตายแล้วไม่เกิดบางคนก็ว่าตายแล้วไม่เกิดบางคนตายแล้วเกิดก็จะเถียงกันไปนั้นถ้าพวกเธอบรรลุสวดาบันเธอก็เข้าใจละอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเนาะนี่นะมันจะเข้าใจเองด้วยดุลธรรมชาติ แล้วเราก็ไม่ห่วงว่าจะเกิดจะตายอะไรทีเนี้ยกูรู้แล้วทีนี้กูรู้แล้วตายแล้วเกิดกูก็รู้แล้วไม่ตายแล้วเกิดกูก็รู้อย่าี้ยอยากให้มันรู้ไงปัญหาเรื่องไอจินไตเนี่ยอภิปัชญัเนี่ยเราจะเข้าใจได้เลย่แต่ก่อนอื่นนี่เขาให้รู้ปัจจุบันนี้ก่อนถ้ารู้ปัจจุบันดีๆเนี่ยรู้วันนี้วันอังคารวันเนี้ยใช่ไหมฮะวันอะไร พฤหัสแล้วเหรออ่าวรู้ว่าวันนี้วันพฤหัสบดีนะแสดงว่าเมื่อวานนี่ก็เป็นวันพุธนะแต่ถ้ารู้ว่าวันนี้วันวันพฤหัสบดีพรุ่งนี้เป็นวันศุกร์เห็นไหมถ้าเราอยู่ปัจจุบันดีๆเนี่ยปัจจุบันตังสยานมันจะเกิดอตีตังสยานเกิดอนาคาตังสยานขึ้นมาเองได้โดยธรรมชาติเลยมันจะเข้าใจได้เลยอ่ะแต่สําคัญคือเราอยู่ปัจจุบันไม่ค่อยเป็นจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ อย่าไปห่วงว่าอยู่ปัจจุบันแล้วจะไม่รู้เรื่องอะไรมันรู้มากกว่าโลกอีกนะแต่สำคัญจะรู้ไหมอะไรเงี้ยมาคนห่วงไหลคเครื่องเตือนนั้นเรื่องนี้มันเลยไม่เป็นให้นั้นมีอย่างเดียวมาอยู่ที่นี่เอาทำความรู้สึกตัวนี้เถอะอยากรู้เลขเหรอว้าขูอยากได้เลขเว้ยมาสางจังหวะเอารู้สึกตัวเนี่ยอยากได้รางวัลที่หนึง่งวาปฏิบัติเอาโนโลภูเมนบอก อ่านแมนไหน่อยนั่นไม่มีอะไรอ่ะไม่มีอะไรที่มันไม่ได้เนี่ยถ้าตั้งใจทำอ ย, อยู่ที่อีสานมันสบายแล้วอากาศก็พอดีพออยู่พอไปพอเป็นตั้งใจปฏิบัติทำก่อนไปนคนจะเริ่มมาแล้วจะแน่นหนาขึ้นไปเพียงแต่วันไกลทะเลนั่นเองไกลทะเลเดี๋ยวเขาออกทางเวียดนามเนี่ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็คือทางนี้เนาะ ถนนจากร้อยเอ็ดเนี่ยปูด อ, ออกรลยองชนบรุรนะีแล้วเน่ะมันก็ไม่ไกลลนะแต่ไม่รู้จะไปหาทำไมนะทะเลทะเลอะไรประมาณนะี้ชีวิตเนี่ยหาพออยู่พอกินนิดหน่อยเหลือฉะนั้นปฏิบัติธรรมนะแมันจาแจ้งแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเข้าใจหรือว่าไปติดอยู่ตรงใดตรงหนึ่งปัญหามันเกิดขึ้นก็คือ เราจะหลงทางนะ่ะหลงตัวเองว่าโอ้ยกูเข้าใจแล้วเนาะแล้วก็จะหยุดความเพียรเสียในระหว่างบางทีมันรู้ตัวทุกพร้อมชัดมากนะโอมีแต่รู้ตัวจริงจริงกิเลสไม่มีเลยว่าว่าบรรลุทําแต่ถ้ามันไม่เกิดยานอย่างรู้ว่าจิตหลุดพ้นเนี่ยมันก็จะเป็นอีกนะบางทีเกิดความรู้รู้นั่นรู้นี่รู้สารพัดอันนั้นก็รู้อันนี้ก็เข้าใจนะก็เป็นเขาเรียกว่ากิเลสเป็นวิปัสสนุกิเลสคือ ปัญญาพวกนี้มันจะหลอกเรานะ่ะอาการพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นมารอีกแบบหนึ่งซึ่งไม่ได้เหมือนมารแบบห่วงเอาเงานอนแบบนี้แต่มันเป็นความรู้เป็นความเข้าใจเป็นญาณเป็นวิปัสนาวิปัสนูขึ้นมามเป็นีกแบบหนึ่งอะเนี่ยแต่เราไม่ต้องกลัวมันไม่มีผลร้ายอะไรมีแต่รู้เฉยๆแล้วมันมันจะ ต, ติดความรู้ทั้งนั้นเองครับแต่มาผิดความรู้นี่มันไปหมดแหละอย่างปฏิบัติธรรมด้วยกันปฏิบัติธรรม เวลาเข้าใจนี้ขึ้นมาโอ้พระสังฆราชนี่ท่านจะรู้เหมือนแจ้งเหมือนเราหรือเปล่านาะทำไมเลวมันนะผมอยากแผ่จตุปะจญาติโยมอยากเดินทางไปหาพระสังฆราชพาท่านสร้างชังหวะเนี่ยเอา้ามันไปแล้วเอาจริงเอาจังนะหลวงปู่โพลุงตาเคยเล่าให้ฟังนะไปถึงวาติกันนลนะไปหาสันตปาปาจวนปอนไปขอเข้าพบนะ่ะ ไปขอคุยด้วยว่ารู้แจ้งอย่างนี้ไหมเนี่ยนะทำแมบนี้เนี่ยเกิดเข้าใจไปแล้วเขาไม่ให้เข้าพบขึ้นๆล ง, ลงๆอยู่ในลิฟต์เน่ น, นะเอามันโนเนมเนาะไม่รู้ใครมาเขาจะให้เข้าพบแต่มันง่ายเถอะแต่ไปถึงวาติกันนน่นะญาโยงเขาให้เงินท่านไปแต่ก่อนท่านเป็นพระสมถะเนาะท่านเหมือนมีฤทธิ์มีเดชนะเแบอบนเปนี้เนะ่ะคนก็นับถือแต่เพราะท่านรู้แจ้งต่นนั้นเองะ แผ่จะถูกปัจจียกโยงเครื่องบินเขาถวายแล้วมีมีล่ามพาไปด้วยแต่เขาไม่ให้เข้ากลับมาถามมาเป็นไงมาด้วยความผิดหวังม่าจะไปสอนสันตปาปาเนียนะ่ยมันไปสอนโมดแล้วมันไปหาหมดเลยไปเป็นแบบติดได้อารมณ์เนี่ยคือมันไม่กลัวใครปัญญาเนี่ยนะขอให้มันเกิดเถอะใช่ไหมเนี่ยท่านมันไม่ได้อยู่ไกลเนะี่ยอยู่ได้นะอะไรนะเขาว่า สวรรค์อยู่ในอกนรกก็อยู่ในใจนิพพานไม่ไกลหายใจก็ได้ยินเนี่ยหายใจนี่นิพพานอยู่ใกล้ๆเนี่ยเคลื่อนไหวก็รู้เนี่ยเลื่อนไหวเนี่ยขอให้ทำจริงนะต้องเป็นคนใจใหญ่ ใ, หญใจใหญ่เห็นไหมพระาธาตุภูพเพชรบอกว่าคนอกแปดสอกนะทำเนี่ยแปดสอกที่ไหนลอยจีนบันไดมันก็นเท่ากันกับจีนเราเนี่ย สร้างกันสตาร์ทที่ว่าแต่เขาพูดอย่างนี้เขาหมายว่าคนอกใหญ่คือคนใจใหญ่นั่นเองคนใจใหญ่คิดการใหญ่ทําเรื่องใหญ่ใหญ่เนี่ยเขาเรียกว่าคนอกแปดซอกไม่ใช่วัดเอาแบบนี้นะเนี่ยไม่ใช่อกแปดซอกคือคนมีมักแปดในตัวคนมีมักแปดในใจเนี่ยทําอะไรก็สมหวังขอให้เรามีเถอะนะเริ่มจากอะไรเริ่มจากความรู้สึกตัวนี่แหละเนี่ยเนี่ยรู้ตัวมากเข้ามาเข้ามาเขาา้เขาต่อเนื่องเข้าเนี่ย เพนะอเรียกว่าอะไรล่ะโครงการปั้นน้ําเป็นตัวเนี่ยสติมันรู้สึกตัวที่เฉยใครจะรู้มันจะรู้แจ้งสติเนี่ยแต่ก็ทําไปเหมือนทอดเสื้อเนี่ยนะถอไปทอมาเดี๋ยวมันก็เป็นผืนกําหนดรู้ก็เหมือนกันทำบ่อยๆผมเนี่ยมันอุยงอัญญ์เนี่ยเรายังหวีเป็นรูปเป็นทรงได้เลยเนี่ยใช่ไหมดัดไปบ่อยๆเนี่ยดัดท่านั้นดัดท่านี้ใส่น้ํายองน้ํำยาเนี่ยมันก็ไปเองใจก็เหมือนกัน ใจก็เหมือนกันน่ะตอนกลางวันโยมเผาเดินจุกงเผาเพาะเพราะมาตอนเย็นลงตาตีตีเหล็กเนี่ยตีไปตีมาเอาไปเดินอีกเดินไปมามันจะต้องเป็นรูปเป็นทรงเป็นมีดเป็นผ้าขึ้นมาแหละเนี่ยพอกลับไปบ้านไปฟันดูไปทําการทํางานรู้สึกมันหลุดไหมมันบินมันบาดไหมเขาว่าอย่างั้นหน้าบุญนาเี้มาทำมาเอามาเข็นอีกเข็นอีกทํำอีกเดี๋ยวมันก็เข้มแข็งขึ้นเข้มแข็งขึ้นกลับไปอยู่บ้านสบายไปน่ะกูฟันไม่เข้าเลยทีเนี่ยนี่นะ กลับไปอยู่บ้านใครว่าไงก็เฉยเฉยเฉยมันอาจารย์ลากองสิทธินะ์แ่ะเมียท่านว่านะดานั่นดา น, นี่นั่งลมกาบภรรยาภรรยายังมาหาว่าประชดกูตีมั่ยยูบอผมสงสารผมสงสารแม่มีแต่โทสะมีแต่บน่นแต่จมผมนี่มันไม่เข้ามาในใจนะมันวางอยู่ข้างนอกน้าจิตนีนะ่สบายแล้ว เมียก็เลยว่าเจ้าลู่แจ้งไปกวนไข่แล้วเนาะใช่ไหมเมียก็เลยมาปฏิบัติทำอีกเนี่ยเพราะเมียก็คิดว่าผัวลู่แจ้งก่อนน ะ, น, ะนี่นะเนี่ยอาจารย์มหาคะเต้เนี่ยนะ่ะเมียเขาก็คือโยมกระเจอนนี่ยนะไปถามดูดิคนจะรู้จักเนะ่เข้ามาเขาชอบมาปฏิบัติทำไปกรุงเทพเขาก็ปฏิบัติดีจังนะอาจารย์มหาท่านเดินอยู่กุกรมท่านอยู่ดูความง่วงเดินเวลาลงตาไปพักในกรุงเทพเดิน หลังจากส่งลกตาเข้าออห้องพักปุบท่านก็มาเดินจุกรมลงตาครับดูให้ผมหน่อยนะผมจะเดินดูความง่วงเดินไปถึงตอนที่สี่เนี่ยเดินแต่สองโมงสองทุ่มเนี่ยเดินไปถึงที่สี่เนี่ยเดินจุกรมเสร็จปุ๊บก็เขาจัดงานปฏิบัติธรรมเนาะตอนมาก็ตื่นจัดงานเลยทำโนวนทำนี้ไปตอนเย็นมาเอามาส่งลงตาเสร็จปุ๊บถึเดินจุกรมสว่างอะไรประมาณเนี่ยจะรู้จะว่มันง่วงมันเป็นยังไงมันทำยไงมันเกิดยังไงเนี่ย ของเฮาผัดหวาล่างถวยกับพระท่านแหลวซยมซำรับเลยแม่บางคนกินเขากับซ่อนค้าอยู่ในปากรุดพวะลงไปรับกระดกกระเดียของเขาไม่นอนก็ยังเอาอ่ะยังฝืนยังฝึกยังสู้นะเห็นไหมเนะ่ะมันต้องเป็นคนจริงมันถึงจะรู้ของจริงถ้าลอลออรอๆเลยแหละมันจะเป็นให้หรือแต่แต่ก็ขอร้องนะขอร้องเอาสามทุ่มก็พอถึงสามทุ่มมันไม่อยากนอนก็ให้นอนนะนะ คือมันเป็นบางคนแล้วบางคนทํำด้วยความโลภน่ะมันจะเพี้ยนนะ<ม>ตื่นเช้ามาพาไปจิตตเวทตรงนั้นเนี่ยทํามันพอดีพอดีแล้วก็นอนบางทีมันโลภโผงแล้วนอนไม่หลับนะนอนอยังไงพลิกไปพลิกมามันก็รู้สึกไปหมดเลย <S <S นอนก็รู้สึกหลวงพ่อเทียมว่าไป็นนิพพานท่า น, นี้ก็ได้นี่นี่แล น, น, นอนเขาให้นอนท่า น, นี้พราะอะไรเพราะว่านี่แลมันหงายมันยกลงไปอย่างเงี้ยหัวมันจะฟาดเต็มเลแล้วก็ลุกมาสร้างจังหวะเลย ะแต่คนส่วนมาันฟาดลงไปแล้วก็เอาตอบไปเลยนะลุกขึ้นมาบ้างนะมันรูส้สึกตื่นมารู้สึกอย่าเพิ่งไปทําตามมันเลยเนี่ยมันจะไปแปลงฟันนะดูมันก่อนมึงจะคิดออกไปนะมันจะไปแปลงฟันเลยมันรู้สึกก่อนรู้สึกหยิบรู้วางรู้จับขันรู้รู้หมดเทรู้อะไรรู้ให้สติอยู่กับตัวเองตลอดเวลาเนี่ยในห้องน้ําไม่เขียนไว้เลยรู้สึกตัวมึงรู้สึกตัวหรือยังก่อนเข้าเลยนะ เวลาขี่แต่ละครั้งก็ดูฝาสั่วโมงรู้สึกตัวให้รู้สึกตัวมีโยมคนหนึ่งน่ะมาจากอะไรฝนหลวงมาบวชอยู่บนลงตาเจ้าหน้าที่เขาว่าอยู่วันหนึ่งนะเขาอยู่บนเครื่องบินในแปชั่วโมงอ่ะเขาเห็นท้องฟ้าเนี่ยมันสวยงามเสุดเกินแต่เขาไม่เคยเห็นสวยงามเมื่อการการรู้แจ้งขึ้นในวัดนี้แล้วความสวยงามที่เขาเห็นเนี่ยโอ้ยมันสวยยิ่งกว่าท้องฟ้าสวยงามอีกเขาว่าปฏิบัติทำวันหนึ่งไปไม่ทันนะ จ อ, อกไปบินทบาติเขาก็ไปไม่ทันรู้จะทําไง เ, เขาอยากขี้รู้จักนกขี้เนี่ยอุจจระนะนะคนกรุงเทพมันต้องพูดภาษาไทยเลยอุจจาระเั้นเวลาถ่ายอุจจระเนี่ยเขาจะรู้สึกโอ้ยหลวงตาจะรอเรานะเนี่ยไปบินธบาตเอาพระองค์นั้นไปไหนแล้วเนี่ยทำไมมันไม่มาป่านี้นะพระนั่งไปอุจจระครับนี่นะอ ตามหรือไม่ตามดีไปตามดิผมว่าหลวงตารออยู่นะั่นจะไปวินตาบานแล้วนี่ครับผมก็กลัวอยู่ไม่น่าจะไปโอ้ยขี้ก็จะออกอยู่มันก็ยังไม่ออกนะหลวงตาเดี๋ยวจะรอทําไงดีเนาะให้ปล่อยวางดีกว่าว่าแต่เขาจะรู้สึกตลอดนะเขามาอยู่จำภ ร, รษาเนี่ยเขาไม่พูดคุยกับใครเลยนะมิแต่รู้สึกตัวนี้รู้สึกตลอดเขาจะไม่ปล่อยความรู้สึกตัวแต่เขารู้สึกว่าฮ่ามันไปไม่ทันก็จงะงัวเตอะ ขันคงไม่ว่าอะไรเราปล่อยวางพอพอรู้สึกตัวแล้วเขาปล่อยวางแต่นั้นเขาสว่างแจ้งอยู่บนถัวขี้เนี่ย น, นะถัวซ่วมรู้แจ้งขึ้นมาตะดีนะโอ้ยเขาสาธุสาธุอะไรอย่างเงี้นนะตอนกูเดินจุกรมดันไม่รู้แจ้งมารู้แจ้งอยู่บนถั่วซ่วมนี่ยเขาแจ้งขึ้นมาตะดีเนะแจ่มแจ้งดีใจมากเขาบอกว่ามันสว่างขึ้นมาปรากฏเนี่ยความคิดไหลมาดับพุ่งลงมามันแจ้งเนะี่ยเขาบ อยู่บนท้องฟ้าแปดชั่วโมงเขาไม่เห็นมันสว่างเท่าอันนี้ย ม, มันไม่สวยงามมองไปแต่ในสวยงามไปหมดนะเอาว่าเขาเจ็บใจนั้นเวลาเขามาทูดมาเล่าให้คนฟังเนี่ยเขาจะเล่าด้วยความภูมิใจมากมาเราขึ้นประเทศให้คนฟังนั้นขอให้คนรู้สึกตัวทุกครั้งเถอะคุณอาจจะยวีผมัก็ได้นะมันไม่แน่นะเห็นไหม พระศิวลีเนะี่ยบรรลุธรรมในขณะที่โป่งผมเนี่ยป่งผมเนี่ยเนรสิวลีไปบวชนะพระสารีบุตรโกลพอโกลดึงมาทั้สระบรรลุธรรมตะดีเลยนะเพอเขารู้สึกเขาพิจารณาโอ้ผมนี่ก็ไม่มีอะไรนะไมันไม่มีอะไรพระองค์นึไปบิณธบาตกลับมาไม่รู้จะทํำยังไงเนนเนเาะบรมาแล้วก็นั่งบนระเบียงนะนี่แต่จิตมันเป็นสมาธิก็คิดค้นคิดว่า กูเคยทำมากนะทําไมแม่บรรลุทํานอเนี่นั่งับเมื่อเช้านี้กขาภาษาดิบุตรก็พูดก็เข้าใจแต่ว่าจิตมันก็เป็นสมาธิอยู่แต่ว่าทําไมไม่แจ้งสักทีเนาะก็มองฝนก็ตกว่าจะเดินลงไปฉันอาหารที่โรงฉันก็ไม่ได้มองไปมองมาก็เห็นฝนตกลงมาในใจกาตกปับปับปับปับพอตกมันเป็นฟองน่ะตก๊อกมันเป็นฟองอ็ดับเป็นฟองดับอืม อะไรเนี่ยเป็นฟองเกิดแล้วก็ดับไปเกิดดับไปโอ้ฝนก็เป็นแบบนี้เนาะไม่เที่ยงเนาะตกแล้วก็แตกแล้วก็ดับเนาะโอ้จิตเราก็เหมือนกันนี่วาพอดูตอนนั้นเองเนี่ยเห็นความคิดเกิดสว่างแจ้งมาเลยเพราะว่าจิตนิ่งเงวนกับเปาะฟองน้ำตกแล้วก็แตก มันเกิดอาการทัานสว่างแจ้งเกิดการรู้แจ้งแจ้งเพรมองดูน้ํานีฉเฉยเนี่ยแต่ว่าสติเขามีมาระดับหนึ่งเขาฝึกมาเยอะแล้วมันถึงมาเป็นอันนี้ท่านบางคนเวลาบรรลุธรรมเนี่ยมันจะบรรลุในอริยบทที่ต่างกันแต่สะสมไปเรื่อยเรื่อร่อยเรื่อรื่อยมันเหมือนกับเอาน้ําใส่ตุ่มเลยแหละมันจะเต็มตอนไหนไปอีกเรื่องนึงเราใส่ไปเรื่อยๆทําอยูอย่บ่อยบ่อยอย่าง น, น้อยๆคือก่อนตายเนี่ยต้องให้สัมผัสให้ได้แท้นะต่อเนื่องไปเรื่อยเรี่ยเนี่ย เนี่ยจากปัจจุบันระ ล, ลึกรู้น่ะเข้าน่ะเข้ามากขึ้นมากมันก็จะเห็นธรรมขึ้นมาเองธรรมเดี๋ยวนี้เราเห็นแต่ทุกแต่ว่าเห็นคําว่าเห็นธรรมเนี่ยต้องเห็นทุกเหตุเ ก, เกิดทุกความดับทุกเห็นมรด้วยเสร็จสับสมบูรณ์แบบในวินาทีเดียวนะพึบทีเดียวแหละมันแจ่มแจ้งขึ้นมาทุกมันหายไปแล้วโอ้เมื่อกี้กูทุกอยู่แต่ตอนนี้มันหายไปแล้วเห็นภาวะที่ไม่ทุกมันเป็นยังไงอ่ะ แต่เห็นทุกข์นี่เราก็กลัวละมันทุกข์แต่การกลัวทุกข์ด้วยปัญญาเกิดนิพพิทายานเนี่ยความเหนื่อยหน่ายเนี่ยมันจะเกิดพร้อมกับวิปัสสนาญาณนะขอจะทำความรู้สึกตัวนี้จะบรรยากาศตรงนี้มันจะเป็นอย่างนั้นเองไม่ต้องรักษาศีลไม่ต้องเจริญภาวนาอะไรมากมายแต่ทําให้มันต่อเนื่องไอรู้ตัวนี้นั้นคุณจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามเรื่องอื่นเนี่ยที่สติเข้าใจไม่เข้าใจก็ตามเถอให้รู้สึกตัวสมาธิมีอยู่สามแบบหนึ่งคณิกาสมาธิสองอุปจาระสามอัปปนา ทำลานะเนี่ยแต่พุทธธรรมนี่หมายก็ว่าแค่คุณรู้สึกตัวเป็นขณะขณะคณิกะสมาธินี่ยสมาธิชั่วขณะขณะ น, นี้หรืออุปจารสมาธิเริ่มมิ่งเริ่มสงบแค่นี้พอแต่ไม่ต้องถึงกับนิ่งดิ่งสงบแข็งอันนั้นมันจะเกินไปละสมาธิอันนั้นนมาใส่การรู้แจ้งนี่ไม่ได้เอามารู้แจ้งม่ได้ให้รู้เท้ารู้เท้าตัวนี้แต่ก็รู้เท้าตัวนี้รู้ไปความคิดมันก็ตัดออก สมาธิแบบนี้เนี่ยจะนำไปสู่การรู้แจ้งแต่ท้านิ่งไม่ไหวไม่จริงอะไรเลยเนี่ยมันจะเป็นสมาธิแบบลื้อสีไปนั้นสมาธิพุทธไม่ได้เอาลึกป่านั้นไม่ได้ลงลึกถ้าเป็นอย่างนั้นเป็นอัปปนาสมาธิอัปปนาอัปปะมันอับอัปปัญญาแต่คณิกะคือเป็นขณะขณะยืนก็รู้สึกนั่งก็รู้สึกนอนก็รู้สึกมันคิดก็รู้มันไม่คิดก็รู้เนี่ย มันง่วงก็รู้มันเงาก็รู้มันปรุงแต่งก็รู้อะไรรู้อยู่แบบนี้เรื่อยๆอีกสักหนก็เกิดปัญญารู้แจ้ง น, นั่นเนี่ยงั้นเอาอยู่ระหว่างนี้ไม่ต้องเอาไปมากยืนเดินนั่งนอนเอ้าพระอนุนก็บรรลุธรรมเพราะเพราะจะนอนภูที่นอนปุ๊บก็ยกขาขึ้นนอนก็บรรลุธรรมพระโมกขลาก็เดินทุกลมก็บรรลุธรรมพระรัฐบาลพระรัฐบาลเนี่ยเดินมากเอ่อไปฟังธรรมพระรัฐบาลเนี่ย เราให้ฟังหน่อยเนาะรัฐบาลนะทัตตปาละอยู่กับพ่อกับแม่เป็นคนเป็นคนรูปร่างหน้าตาดีอะ่ะเป็นชายหนุ่มรูปงามพ่อแม่เป็นเศรษฐีตั้งแต่เล็กแต่น้อยแล้วเกิดมาเนี่ยจะไปไหนมาไหนเนี่ยไม่ได้เดินเขาใส่คานหามไปใส่เขี้ยวไปขนาดตีนท่านนี่ออกขนเลยนะมันเป็นขนเลยเนาะเป็นปุ ย, ปย เขาเรีว่าสุขุมารชาติเจริญแบบนั้นเน่ะแต่มีคนไปฟังธรรมแล้วเขาก็มาพูดธรรมมาให้ฟังว่าผู้ที่เจ้าแสดงธรรมแบบนั้นดีแบบนี้ดีมันเราให้ฟังท่านก็เลยอยากไปฟังธรรมแล้วก็หามไปฟังธรรมด้วยไปฟังธรรมพอฟังธรรมพระเจ้าพูดถึงเรื่องความทุกข์ความสมบูรณ์ทางโลกเป็นอีกแบบหนึ่งความสมบูรณ์ทางธรรมเป็นอีกแบบหนึ่งคนจนทางโลกเป็นแบบหนึ่งคนรวยทางโลกเป็นแบบหนึ่งคนจนทางธรรมเป็นแบบหนึ่งคนรวยทางธรรมเป็นพอพูดไปพูดมาท่านเกิดปิติขึ้นมา ขอร้องอยากบวชตัว น, นั้นเลยเขาเลยถามว่ า, าลูกพี่บวชแล้วจะเดินจุกลมได้หรือตีนบางเนี่ยเขาเดินจุกลมเป็นดาวเพริดาตายนลเนี่ยแล้วลูกพี่จะทําได้หร้อถามว่าทําไม่ได้หรือทําได้ก็ต้องทํำล่ะะฉันอยากรู้แจ้งสัจธรรมแบบนเอาลูกพี่มันทุกขนะ์นะไปวินญาณก็ลาบากแล้วก็ไม่ใส่รองเท้านะอยู่ในบ้านนะั้นสบายนะ มีตั้งแปดสิบโขดแปดสิบโขดก็คือแปดร้อยล้านนะ่ะเยอะแยะมากมายเพราะพ่อแม่ทําธุรกิจมีที่ดินที่นาที่ดอนใี่คนชอบเยอะแยะนะไปถ้าเราไปอินเดียเนี่ยเวลาเราจะเห็นทุ่งนาเขาแต่ละแปลงแต่ละแปลงเนี่ยเขาจะก่อได้อีดแดงบ้านเราเนี่ยลัวเขานะ่ะเป็นของไครของมันเลยนะเขาก่อเป็นลัวนาเลยนะ่ะเขา้าชื่นชมมากคนในมีไลมีนาเนี่ย แล้วโรงเตาเผาอิฐเนี่ยเท่ากับเต่าปฏิกรปรมนูนะอยู่ตามทุ่งนานะควันท่อมันสูง ม, มาคือเขาขายอิดอย่างเดียวอิดแดงอิดเนี่ยบล็อกทั้ที่เนี้เนีย่ยมากก็เป็นบ้านดินเนี่ยเอาไปอมาก็เลยนาพี่ก็เยอะนาลุกพี่ก็เยอะนีเขอบวชพราะพระเจ้าเลยว่ า, าแต่ฐานขดเพึ่งรับปากมาจากเจ้าสุตโธนะมาว่าเอา เมื่อกี้ก็บวดพระาหุนพระลาหุนหนี่เป็นหลานแต่ก่อนพระเจ้าสุโธธนกะก็หวังว่าเจ้าชายศิทธะจะบวชแต่ต่อมาไม่ได้บวชย่อยไปบรรุธรรมแล้วพอกลับมาบ้านให้พระลาหุนให้เน้นลาหุนเนี่มาไหว้ลูกพ่อซะมาไหว้พ่อแล้วขอสมบัติจากพ่อซะพ่อก็เลยถามว่าอยากได้สมบัติแทรหรือสมบัติเทียมไม่เอาสมบัติเทียมแล้วเนาะยี่พ่อก็ไดท่านเคยว่าสารีบุตรเอาไปกลผมซะ เลยเอาไปโกรผมเลยได้บวชพอบวชแล้วพระเจ้าสุธนก็เสียใจว่าหลานมีคนเดียวก็ไปบวชจ้อยมันเกินไปแล้วเี่ยจะเอาใครมาดูแลพระราชาบาลังเนี่ยทำยังไงเนี่ยก็เลยขอร้องขอพรขอร้องเถอะต่อไปดยจะได้ทําลายน้ำใจกันอีกเลยเหมือนฉันเนี่ยผู้เป็นพ่อเนี่ย เป็นปู่เป็นยา่าเป็นตาเป็นยายเนี่ยมี ล, มลูกมหลานคนเดียวมันเจ็บชำ้ำลำใจเนี่ยจะให้ทํามันจะคลองราชจะบรรลังขงันวรมนีกะหวังพึ่งแต่อยู่ๆก็จับบวชเนี่ยต่อไปจะให้เอาใครมาบวชเนี่ยคิดดีๆหน่อยเถอะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยต้องพ่อแม่เขาต้องขออนุญาตก่อนแล้วค่อยบวชนี่นะพระพุทธเจ้าว่าโอเคได้เลยท่า น, นพอพระรัฐบาลจะบวชเนี่ยท่านบอกว่า โอ้คงโอเคไม่ได้หรอกนยะต้องไปขออนุญาตพ่อแม่มาก่อนแล้วค่อยบวชให้เนะี่ยท่านก็เลยวิ่งเขับไปบ้านไปขอแม่แม่ผมอยากบวชอยากเป็นพระอยากเป็นบรณชิตอยากเป็นลูกศิษย์ของสมณะโคดมท่านเมตตาด้วยเถิดเนี่ยแม่บอกไม่ได้นะมีลูกชายคนเดียวนะพ่อก็ยิงไม่ได้เลยเอาไปมาท่านลม้มท่านนอนลงเลย นอนเพลหลายอยู่กลางลานบ้านนี่แหละไม่กินข้าวปะท้วงไม่ยอมกินข้าวถ้าไม่ให้บวชจะไม่ลุกเลยเนี่ยตายเป็นตายนะแต่พระในวัดสมนัตเนี่ยปฏิบัติทำเก่งคัดอยากกินข้าวแต่หลวงตาไ ม, ม่ให้กิน <c oughs> ไม่ใโอดข้าวปะท้วงนะนั่นก็มาอยู่วัดก็สบายเอาไปามาก็เลยท่านทำไงนะไม่ได้กิน พ่อก็ห้ามห้ามไปห้ามมาห้ามไปมาเจ็ดวันนะฮขยับไม่ได้เริ่มจะตายแล้วถ้าไม่ได้บวชนี่คือตายแน่นอนก็เลยคุยไปคุยมาประชุมปรึกษาอะไกันว่าเออให้เขาบวชเถอะนะจะทําไงอนะ่ะเอ า, อางี้ก็แล้วกันให้เขาไปชวนเพื่อนเขานะ่ะสี่คนนะ่ะสุภาหุปุณจิาขาวัมปติพวกนะี้มาบวชถ้าพวกนั้นลือพวกพวกเศรษฐีพวกนั้นลูกเศรษฐีพวกนั้นบวช ด, ด้วยก็ให้มันบวช หรือบวชเพื่อพวกนั้นบวชแล้วจะได้ดูแลลูกเราไงเพราะลูกเราตีนบางตีนเป็นขนตีนนั่นทีนนี้มันคงอยู่ไม่นานหรอกแล้วมันก็สึกออกมาเ็ไปถามเขาดูเพื่อเขาจะไม่บวชปาก็ว่าพวกนั้นบวชบวชบวชเพื่อเพื่อรัฐบาลแล้วก็บวชพระรัฐบาละบวชแต่พอบวชแล้วเป็นไงบวชแล้วก็อยู่ใครอยู่มันทากรรมฐานแหละตัวท่านเองก็สงไปบิณฑบาตนะบิณฑบาต มีสบะก็เจ็บแล้วอุ้ยอุ้ยแหละเนาะนะคก็บอกว่าข้าแต่พระองค์ผูเ้เจริญอะไรประมานั้นน้ขอใส่สกอได้ไหมพระบุรียาไม่ได้ห้ามใส่นะบางวันพวกทาสเขาก็ซื้อไปเนะี่ยพวกนางสนมกำนันอะไรต่ก่อนซื้อแอดดาไปฝากรุ่นไฟไม่ไห ม, หมนะก็ไม่ได้ไม่ได้นะข้าธรรมาดาเดินธรรมดานี่เดินไปเดินมาเดินจุกม เลือดแตกหมดเลยเขาว่าสักวันหนึ่งมันต้องศึกหรอกมันเจ็บทาํามันต้องศึกไม่ศึกไปบินจักราลไม่ได้ข้าวเพราะอยู่ในอินเดียเนะี่ยไปอยู่บ้านเมืองไกลๆเนี่ยจะไปบินจบาล ท, ที่ไหนต้องไปบินบาด ท, ที่พ่อแม่หรือโยมอุปธรรมเขาไม่ใส่ให้นะเขาก็จนแทบตายไปหากินเขาไปวันหนึ่งก็เลยลึกได้เ อ, อ้ยกลับไปบินจักราล ท, ทางบ้านแม่ดีกว่าเ้ายทไ่ว่าเพราะเบนเขาจําไม่ได้เขาไม่รู้เขาว่าจะไปให้มันได้ ทำมันไม่ได้กินข้าวเดี๋ยวมันก็เสือกไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินข้าวจริงนะก็ไปขอกับพระเขาข อ, อน้ำแน่มานะี่ยสันน้ำแน่จะเล็กแค่น้อยเพราะเดินจุคมได้พาะเขาก็เลยว่าบ่มีปัญหาสันได้เขาหายวะเราพรากระป๋องปุ้มอุ้ยใส่ให้เป็นไปได้ไหมไม่ได้นะ่ะพระแดกพระเข็งมาเนี่ยแะพระแดกประคอบัน่นแพง <c oughs> เขาใส่ให้ ก็ทานไปแล้วก็เดินโยก้มบางวันก็ไม่ได้ก็เลยกลับมาทีนี้วันหนึ่งกลับไปบินธบารอีกเผื่อเขาจะจําได้บ้างนั้นกลับไปแต่เวลาเดินไปเนี่ยเลือนเลือดซึมละเหมือนลุงปูสังเนี่ยลุงปูสังนี่กระยั่เดินโยกมือเนี่ยก็ตีนเลือดออกเลยอืมอ่านเพื่นต้องการมีซื้อเสียงกันเราซื้อเสียงเพื่นเพื่นส่จังหวะอยูประกาศซื้อนำบริจาคห้าบาททีนี้ เอาพูดเพิ่มอีก5้านาทีท่ากับพอกลับไปพบุบนางทาตนางาสีนี่ยจำได้โอ้ท่านรัฐบาลตัวนี้บ้านะมาบินบาดแถวนี้นี่ก็เลยวิ่งไปบอกท่านเศรษฐีผู้ชายบอกว่าลูกชายท่านมาบินบาดทำยังไงเนี่ยน่ะพอ่อพ่อได้ยินแต่นั้นแหละหัวใจพู่ขึ้นมาดิโอไม่เห็นลูกมานานแล้วเป็นเดือนแล้วมาบินถาดแล้ว เอาขนมไปวะนั้นนะว่าเอาขนมไปเทให้คุณชายใช่ไหมไม่เอาไปเททิ้งตอนท่านเดินมานั่นนะให้ท่านดูเอาแต่อันอร่อยอร่อ ย, ออยนะนะเอาอะไรอีกแล้วนะไก่ย่างวิเชียรบุรีด้วยโอบินท บ, บาทวันไหนวตนตะฮอมอยู่พราะวันไหนเป น, น, นบอ ก, ย อ, กยอะเย้ยนะท่านไปไม่เห็นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรท่านก็กลับมาเขาไปเทให้ดูทเทยอะเย้ยศึกมาอะไรได้กินเนี่ยบ้านเรามีเยอะแยะไปบวชอยู่ทําไมท่านก็ไม่ท้อถอยไปอีกว่กลับมา มันไม่ได้กินเข้ามาหลายวันมาวันนี้นางอันเนี้ยเอาขนมบูดไปขนมกังฟูเน่ยนะขนมฟูๆน้นะโรตามไม่ได้กินนะไม่บริสุทธิ์ใจก่อนก็มันอดอยากไม่รู้ไงมาแล้วเอาหักไม้เสียบเสียบเสียบเสียบตากแดดไว้อยู่ในป่ามันไม่มีอะไรมันไม่มีตู้เย็นนะแล้วสบังไว้ในป่าเสียบไปแต่ของท่านก็คือเขาก็เอาขนมบูดบูดมาเททั้งเลยดูก่อน ปลาดาดูก่อนโยมดูก่อน้องหญิงเขาเรียกน้องหญิงปลาดาดูก่รโยม น, นมน้องใช่ไขนมเนี่ยจะเอาไปใส่นอ้องเททิ่ทมเจ้าค่ะนะเทสไหหมามันบูดแล้วเทสไบัดอาตมาได้บนอกนะเอาสิเอาได้ยุติมันบูดเลยเนี่ยโ ม, มเป็นยังดอกอาตมาเอาพ่ออยู่เนี่ยกับ่อดอกเทสไบัดอาตมาจะน้อยใน ด, ดอก ประเขียนแน่ดีกว่าจีเทียดิบมังเทียดิบอะไรท้าไม่จับเอามาได้ย่านบาเป็ น, านาขอาบัตเขาก็เลยทีให้แล้วก็ฉันขน ม, มบูดแล้วก็เดินทุกขโมรถ ต, ตดแต่ตกแต่งอยู่เพราะเพนั้นนะ <c oughs> นอืเอาะขนมบูดเนาะก็ต้องตดแต่เนาะไม่มีโรงพยาบาลด้วยเท่านั้นตัดสินใจเลยพ่อก็โผ่มาทันทีอ่ะอยากมีมดลูกใายไปมฉันเข้าในบ้านพุ่งนี้นะบ่ได้กินเขาเ ม, มือ่อไรมื้อฉันขนมบูดเม่นบอ่อ ไปกินบ้านเฮ้าเถาะนะลําุ้ยสะดวกสบายเจ้าชิมาบวชเห็นเนงเห็นมาบวชแล้วกรับรู้แล้วพิจสง์ของการบวชเป็นยังไงมาเถอะคนอื่นเขาก็รู้แจ้งกันหมดนะแต่ท่านยังเจ็บนั่นเจ็บนี่กเดินเลือดออกนั่นเดินจุกลุมเดินกลับมาเนี่ย <c oughs> พอกลับไปแล้วก็เดินจุกเหมือนพวกเราเนี่ยขนาดเราเดินเจ็ดวันห้าวันนี่แทบตายละท่านเดินมาเป็นเดือนเอไปมาก็เลยรับนิมมติในถ่อนะไปสันอยู่บ้านานะเอา ไปได้พ่ะน ะ, จะเจริญพรอัตมาจิไปมืออื่นดอกมนะาเช่าๆมันก็เดินมาเท้าแดงมาที่บ้านพ่อก็เช็ดเท้าให้เห็นไม่พอ่อน้าตาไหลพรากเลยลูกเนี่ยอย่างนี้ก็ยังจะบวชอยู่เลิญแม่คล้องให้สงสารแม่เถอะนี่นะแม่เป็นห่วงลกูกเช็ดเท้าด้วยเลือดนะมันบางไงเต็มนะก็ไม่ไหวท่านก็พูดใน้ฟังว่าชีวิตีอัตามาตัดสินใจแล้ว ที่จะเดินทางเนี่ยออตมาเริ่มมีความสุขไม่ต้องมีใครดูแลไม่ต้องใครหาใครหาไม่ต้องเป็นบาละใครนะความโกรธความอะไรไอตมาก็ไม่มีกับญาติโยมโยมแม่ไอตมาไม่ทิ้งสาไม่ได้โกรธเคี้ยวแค้นอะไรหรอกอาหารไปเทนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรพ่อแม่อยากให้ไอตมามาไอตมาก็เข้าใจก็ฉันข้าวะฉะนั้นเขาก็เลี้ยงหลายอย่างกับข้าววันนั้นก็ชูชิวันเนี้ยนะ อิจิโนมุโตะนี่แหละจำนะน้ำดื่มเขาก็เอาโอิชิอย่างไรแล้วเขาก็ถวายมามากกับไวๆกลับไปด้วยต้มกินเอาเดอ้อเนี่ยบ่ได้ก็ได้มันจะได้เหรอสมัยก่อนมันไม่ได้นะสรุปก็คืออ่อาเอาอ น, นันมาอันนี้มาเสร็จปุ๊บก็คือข้าวเดียวฉันเสร็จปุ๊บจักน้อยแม่อุ้มหมกมาแล้วเอาเงินใส่ถาดมาผานใหญ่บุลม เต็เนี่ยเอาไปชใช้ใช้ลูกซื้อเอาไม่ได้เราโยมเป็นสมณะแล้วงดใช้อันนี้แล้วะเดี๋ยวเอาทองออกมาเอาไปจำนำเอาไปทำรวนตำนี้ลูกไม่ต้องห่วงรับไม่ได้ทางนั้นก็กลับไปอยู่บ้านเราสิในมีเยอะแยะไปเนี่ยโอ้ยธรรมะว่าเอ า, า, า, อเอาดอกโยมเลยเปล่ะเป็นอยังจ้งพ่อเอาม า, าเอาหญ้ามาใสา่เปล่นะ ท่านไม่เอาท่านขอกลับบ้านดีกว่าแล้วก็กลับไปเดี๋ยวพระศาสดาจะรอจะทําวัดเจนแล้วอะไรเงี้ยก็ลงมา ก, กับพอขบมาท่านจะเดินจะกมเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาท่านจุกมเป็นแบบเรานะี่ยแต่ท่านจุคมมันจะแห้งเป็นแผ่นเหมือนเอาขี้ควายทาเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะเลือดออกไงเหยียบนี่ยมันก็ออกไงเลือดมันออกพราะตีนบางจะไปเย็บตรงไหนเขาว่ายังางหลายจะไปเดินมากท่านว่าไม่เป็นไรหรอกนะ ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่ามันตายในระหว่างนี้ผมคงเข้าถึงธรรมไม่ได้นั้นเจ็บไปเรื่อยๆแล้วถ้าคือเข้าถึงธรรมเราก็ยังมีโอกาสเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาแตกหมดเลยมันบางเนาะเลือดออกเต็มจนพระพุทธเจ้ามาสอบอารมณ์ท่านบอกว่านี่มันเลือดของใครเนี่ยเต็มไปหมดเนี่ยนั่นในศาสนาพุทธเนี่ยผู้ที่ปาราความเพียรยอดที่สุดไม่มีใครเกินเนี่ยมากทสุดคือพระรัฐบาล พระพุทายกย่องผู้มีฤทธิ์คือพระโมกขลาผู้มีปัญญาคือพระสารีบุตรเนี่ยยอดอุปถาคือพระอาณ น, นยอดทางผู้ปาราบความเพียรไม่หยุดหย่อนเอาจริงเอาจังคือพระรัฐบาลเลือดเต็มจนผมกระล่องกระแนงไปหมดเลยเนี่ยท่านไม่หยุดเจ็บก็ตามนะโอ้นี่มันเอาเลือดทาเลยนะเนี่ยท่านพุทธิย่าว่าในศาสนาของตถาคตเนี่ยไม่มีใครเกินพระรัฐบาล ที่ทําความเพียนมากขนาดนี้ท่านมีบุปผกรรมในชาติปางก่อนนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทําไมท่านต้องทําความเพียนป่านนี้แต่ก่อนท่านไปทําอะไรทําไมต้องไม่บรรลุทําเร็วเหมือนคนอื่นเขาอ่ะจะฟังไหมเออดวงตาก็จําไม่ได้แล้ว <laughs> จําได้อยู่หรอกแต่ว่ามันเวลามันจะหมดแล้วนั้นก็เป็นแบบนี้นะท่านก็ทําไปทํามาเดินจงกรมกลับไปกลับมากลับไปกลับมาอ้ายังไม่ได้เรื่องอีกนะ ก็เลยบอกวเฮ้ยคืนนี้เขจะไม่นอนล่ะไม่นอนคืนเนี่ยเพราะอะไรถ้านอนนี่เกิดมันตายไปล่ะมันจะได้รู้แจ้งกับเขาไหมเนี่ยก็จะกลายเป็นโมฆะบุรุษสละเกิดมาเนี่ยไม่นอนเดินเดินเดินเดินไปไกลสว่างก็ง่วงง่วงงงเงียขึ้นมาไปบินธบัติกลับมันล้วก็ง่วงก็เดินเดินท่านเพียรมากเพียรไปเพียรมาตาก็เริ่มแดงน่ะ ตาเริ่มแดงขี้ตาก็เริ่มบวมเริ่มบวมขึ้นเสร็จปุ๊บก็ไม่ค่อยเห็นนะเดินไปเดินมาเนี่ยจนกระทั่งว่าคนก็เล่าลือแล้วไปขอให้หมอชีวกหมอประจำพยาบาลมาใส่ ย, ยาให้ด้วยหมอชื่อว่าเป็นอะไรเนี่ยว่ามันไม่ใช่เป็นอะไรให้ดูแล้เนี่ยมันไม่ได้พักผ่อนเนี่นะทายาแล้วพักผ่อนบ้างนอนบ้างมันก็จะหายเพราะไม่ได้เกิดจากอะไรเกิดจากไม่ได้พักผ่อนเฉย นี่มนเถากำนี่มนพักผ่อนเลเที่เจริญพรโยมา ม, มาทำามจะพยายามแต่โยมไปแล้วก็เดินมืนเดิมทายาแล้วก็เดินเดินอยู่ น, นั่นน่ะเดินไปเล่นมาตาแตกเลยข้างหนึ่งมันบวมตาเสียบวมลูนตากือเดี๋ยวเบาหวานขึ้นตานี่ยคนจะยากลําบากละนะตอนนี้ก็พอฝอยได้ไปเรื่อยๆวันแต่อีสนหน่ก็จะหมดสภาพแล้วเนี่ยชีวิตเนี่ยนะ มันเจอข้างหน้าก็โยมหลับก็ไม่รู้จะเห็นอะไรเลยเนียโยมเป็นยังไงบ้างวันนี้โอ๊ยสดชื่นก็โอ๊ยสดชื่นเนาะทั้งที่มันหลับอยู่เมื่อกี้นะนั่นเขต้องฝึกให้เห็นตาทิพย์ให้ได้ถ้ามีตาทิพย์มัจะดูง่ายขึ้นจะดูออกมีตาทิพย์หูทิพย์เอาละนั่นเลยว่าไม่รู้จะทํำยังไงเนี่ยตาเสียข้างหนึ่งบวมแดงแตกไปข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งเดินไปเรื่มาแล้วบอดอีกข้างหนึ่งแต่ก็ยังเดินอยู่นะ เดินไปเรื่อยตื่นมากันเรื่อยเขาก็เอาเข้าวมาส่งบ้างบางทีก็เดินตามก้นพระไปนําไปบินทบาทนะแต่ว่ า, าเขาให้จับไม้จับไม้เดินตามเขาอุ้มบาตรไปเดินตามเขาถือไม้ไปนะชีวิตข้ามีแต่พระนําชีวิตข้ามีแต่พระนำํำนะพระนําไปเดินไปไปบินทบาตบ้านนั้นบ้นนี้เขารู้นี้ว่าเนี่ยท่านมาแล้วจากพระรัฐบาลเป็นพระจกักขุบาลเป็นผู้พระผู้รักษาดวงตา ตาข้างในดูเลท่านก็มาเดินจุ ก, กรมเออเดินจุกรมก็กลัวไม่ถูกเพื่อนเขาก็าเลยเอาไม้ไผ่ตัดไม้ไผ่มาแล้วก็ผูกใส่ต้นไม้ต้นมาหาต้นนี้แล้วท่านก็จับแล้วก็เดินไปตามร่องเดิมเก่าดูนี่ความเพียรท่านน่ะเราได้ครึ่งหรือชีวิตอันเนี่ยแค่ให้มันนั่งใช้จั่วในศาลาเนี่มันก็แทบตายแล้วขี่ข้านป่านบาเ น, นี่ยมันจิลูกเด่นอัน ประคองไปประคองมาฤดูฝนท่านก็เดินไปห้องน้ําก็เหมือนกันเขาก็ผูกเครื่องยานางต่อไปให้ท่านจะเดินไปไปขี่ไปเหยี่ยวกับมาบางทีเดินมาฤดูฝนไปกลางคืนนี่พระเขามปดูตอนเช้านะี่เห็นอา้าวอะไรนี่พะน่ะกบตายพะนะ่ะกบตายอึ้งอางถูกท่านเหยียบตายเพราะมันมันลงมาในหลุมเท้าเนี่ยที่เดินไปเนี่ยอย่างเยแต่เสียงอมาเดียวรถั ที่ไหนได้พระจุคุบานเหยียบเขาเลยไปถามพระพุทธเจ้าว่าไหนบอกว่าพระจุคุบานในบรรลุทำแล้วทําไมเหยียบกบเห ย, เห ย, เหยียบเขียดตายละเนรละนาฏเนี่ยนะเอารู้ได้ยังไงเมื่อช้านี่พวกนะบิ๊กซีมาขอซื้อกบอยู่เนี่ยเนอ้าไปขายได้เนี่ยมันเยอะจนเป็นปัญหาว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าจิตที่หลุดพ้นแล้วเนี่ยเหมือนมือไม่มีแผลล้วงลงไปในยาพิษเนี่ยจะเป็นอันตรายไหม ถ้ามือมีแผลล้วงลงไปในยาพิษเป็นอันตรายแต่นี้มันไม่มีแผลแพ้หายแล้วพระจักกบาลนั้นเป็นผู้มีมือหายแล้วจิตหายจากกิเลสแล้วไม่มีเจตนาไม่มีอะไรอ่ะไปโดยธรรมชาติเดินไปเดินมาท่านถึงไม่เท่าไปงมงไปดูดิจากลูกชายรูปหล่อหน้าตาดีตีนเป็นคนนะดั่นโดนมาฝึกปฏิบัติธรรมพ่อแม่ก็ทัดทานจนกลายเป็นคนตาบวมตาบอดตีนทะลุ แต่สิ่งที่ท่านตามมาคือท่านบรรลุธรรมท่านได้อริยะทรัพย์หยุดการเกิดแก่เจ็บตายอีกแล้วหมดแล้วท่านมันก็คุ้มค่าอยู่นะแรกนะพอเราทําเล็กๆในน้อยพอเป็นพิธี <c oughs> <c oughs> จะเหมือนไหนที่จบเนาะใกล้สิหวัวมือแล้วบ่พอยังวายยงเขาไม่กลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายไงไม่กลัวพบกลัวชาติพวกนี้ยนะไม่กลัวแต่ที่มันจะกลัวมันไม่กลัวนะ่ะ กลัวญาติบวงงามไม่อ ย, อยากจีนเปื้อนวะเนี่ยนะฮะญาติบวอยิอมญาณนั่นเองบางคนเอาลูกมาปฏิบัติทำลูกไปให้ไปไม่ได้หลงลวงตาเป็นไงไม่ได้กินข้าวตอนเพลนกลัวมันขาดสารอาหารลูกกาลังจเจริญเติบโตออ้างดีกันพระโลวงตาเด็กวะเราขาดสารอาหารมดเลยในส่วนนี้ก็ะไดมันไม่เกี่ยวกันหรอกญาติโยมเอ้ยมันพออยู่ได้อเราฝึกฝนเนี่ยนั้นฝากไว้นะวันนี้ ตัวหัวเรื่องเป็นแบบหนึง่งตอนท้ายๆนี่ก็พูดให้ฟังเรื่องให้กำลังใจนะฮฝึกฝนเถอะชีวิตเนี่ยตั้งใจทำเถอะคงดีขึ้นแหละกลับไปนี่ก็กำหนดรู้หน่อยนะอ้าวเตรียมตัว